อาจารย์ครับการนมัสการครับผมเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการครั้งที่หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอาจารย์ครับก่อนเข้ารายการกลับเรียนถามอาจารย์เมื่อชามีคนใส่บาตรเยอะไหมครับผมก็สามร้อยเก้าสิบสามคนทางบ้านหนึร้อยหกสิบก้ร้อห้าร้อยห้าสิบห้าสิบครับผมอันนี้คือเป็นปกติเลยนะครับรอาจารย์ตามร้อย วันอาทิตประมาณสี่ร้อยบวกลบกันหน่อยครับพ ร, ร, ร, ร, ระอาจารย์ครับได้ทราบว่าเมื่อวานพระอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวนี้จะเทสักครึ่งชั่วโมงแล้วนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงแล้วหรอครับอ๋อไม่แล้วก็พูดเผือไว้ก่อนนะรอเพื่อต่อไปมันแรงมันก็มันก็ไม่ไหวใช่ถ้นาวันไหนถ้ามันเหนื่อยก็อาจจะพูดสักครึ่งแล้วก็นั่งสมาธิต่ออีกสักครึ่งครับผม แต่ตอนนี้พัพอพูดได้ก็พูดไปเรื่อยๆก่อนครับคือไม่รู้จะสัรนหาไม่รู้จะสัรนหาอะไรมาพูดกลัวคนฟังฟังแล้วจะเบื่อฟังซ้ํำๆด้วยแล้วพูดเรื่องก่าๆเรื่องเดิมๆแต่ผมกับรู้สึกมันมันย้ํามันตอบยับดีนะครับอาจารย์ครับอ่าก็ดีก็ไม่เป็นไรถ้าถ้ามีอะไรพูดกําลังพูดก็พูดไปเรื่อยๆถ้าเกิดมันไม่มี กำลังพอที่จะพูดก็อาจะขอพักบ้างครับผมดีแล้วครับอาจารย์ก็อยากให้อาจารย์ไม่ไม่เหนื่อยเกินไปนะครับผมก็ไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญอะไรพอดีเมื่อวานนี้ไม่มีคนถามผมถามก็เลยก็ไม่ข อ, อถามเลยครับผมไ ม, ไม่ไม่เลยคิดว่าเขาจะมาโพสให้ให้ให้ดูกันทนะี่อะไ ร, รอยู่เนะี่ยทีมงานก็ไปถอดออกมาแล้วก็มาโพสครับ เห็นเขาเขาตื่นเต้นกันนิดหน่อยว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจารย์ก็ก็ดีพูดไว้ล่วงหน้าก่อนเผื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็จะได้ไม่ไม่ตกใจไม่อะไรครับผมพระอาจารย์คร yani <wei> ับ <GO> ช <av uther> ่วงนี้ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนบ่นคนว่าอากาศอะไรทุกอย่างมันดูเลวร้ายลงไปกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยครับก็เลย อยากขอปัญญาจากพระอาจารย์ว่าแล้วเราจะอยู่กันอย่างไรใช้ชีวิตกันอย่างไรในโลกที่มันเป็นอย่างนี้อยู่ทุกวันครับอาจารย์ครับกราบขอความเมตตาครับก็รบรบรบพระรพระุทธเจ้าก็ส่งทํานายไว้แล้วว่าจิตใจของคนจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆเสื่อมครับปราศจากศีลธรรมศีลธรรมจะน้อยลงไปความแก่งแย่งชิงดีกันการฆ่าฟันกันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปก็จะจะฆ่าฟันกันเหมือนถักเวลา ที่เราเรียกว่ายุคของเมกกะสันยีนะจะเกิดขึ้นเพราะจิตใจของคนเราจะไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องกรรมนะจะหวังแต่ผลประโยชน์เท่านั้นเองถ้าจะทำอย่างไรให้ได้ผลประโยชน์ก็จะทําไม่เกรงกลัวบาปไม่มีหเหตุเลอัปปะการค่าฟันเงินก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็การการอยู่ก็เพื่อเสกการมันก็จะต้องใช้ ทรัพยากรทางธรรมชาติทำลายบรรยากาศต่างๆกันมากขึ้นไปเรื่อยๆคนดีที่มีศีลธรรมต่อไปก็จะต้องหลบไปอยู่ตามชนบทอยู่ตามป่าตามเขาขอให้คนนี้ก็อยู่ในบ้านในเมืองฆ่าฟันกันไปจนวันหนึ่งก็จะฆ่าฟันกันตายเกือบหมดแล้วก็จะเห็นโทษของการฆ่าฟันกันเห็นโทษของการไม่มีศีลธรรมแล้วก็จะเริ่มกลับมารักษาศีลกัน คนที่คนดีที่อยู่ในชนบทอยู่ตามป่าทางเขาก็จะกลับเข้ามาอยู่ยในบ้านในเมืองแล้วก็มาช่วยสร้างสังคมใหม่กันขึ้นมาใหม่ก็เป็นยุคที่ยัมีพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปมาตัดส์รู้ประสิ ญ, ญานแต่คงยังมีเวลาอีกหลายกับเมื่อหลายหลายล้านปีมั้งไม่ทราบเวลาแต่ตามตามลักษณะของ ของจิตใจของคนเนียมันจะเสื่อมลงไปไเรื่อยๆถ้าเราเปรียบเทียบกับคนยุคพ่อแม่เราปู่ย่าตายายเรากับคนยุคเานี้มันต่างกันแล้วดนะังสิ่งที่ทำปู่ย่าตายายเนี่ท่านกลัวบาปท่านทาจะทําบุญเข้าวัดกันอันนี้ไม่กลัวบาปไม่เข้าวัดเข้าผับเข้าบาร์เข้าหาความสุขทางการมารมลกันมันก็เลยทําให้จิตใจเสื่อมลงไป คนที่มีศีลธรรมก็ต้องแยกตัวออกจากคนเหล่านี้อย่าไปหลงกับตามเขาอย่าไปหลงกับการสวยหาลาภยศเสริญสุขซึ่งมันเป็นความทุกข์มากกว่าเพราะได้ท่้งหล่ก็ไม่อิ่มไม่พอแลจะทำให้เราจะต้องไปทำบาปทำกรรมเยอะเรื่อยๆเพื่อที่ได้สิ่งที่เราต้องการเปลี่ยนวิธีอยู่แบบมันอยู่แบบชาวพุทธด้วยกั อยู่แบบทำบุญทำ ท, ทานรักษาศีลภาวนาสมถมะเรียบง่ายออกไปอยู่ตามชนบทปลูกผักกินเองอะไรเองไหว้าพราะสวดมนต์ข้ามกันอ น, นอนเข้านอนไหว้พระสวดมนต์เป็นเหมือนคนสมัยก่อนก็อยู่ได้แล้วเอามาเอาความเจริญทางด้านจิตใจดีกว่าจิตใ จ, จเจริญก่าอาจจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนไหว้าทางเกิดอีกต่อไป เพราะถ้ากรรมาเกิดข้าวหน้าสังคมในโลกนี้มันจะยากยิ่งกว่าคราวนี้ mm hmm. การมีทังนี้เราก็ต้องอาศัยหลักธรรมของพระเจ้ายึดกาะติดกับหลักธรรมของพระเจ้าแล้วเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายเราก็ไม่ไปทุกข์ไปวุ่นวายกับการแข่งแย่งชิงดีกันไปฆ่าฟันกันเราก็อยู่ไปรักษาศีลไป เอาความสุขจากการเจรงการจิตตภาวนาไปทาบุญทําทานไปแล้วจิตใจเราก็จะพัฒนาขึ้นไปสูงขึ้นไปจนในที่สุดก็จะได้ถึงนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอาจารย์ครับเมื่อกี้พูดถึงภระศรอาร์นเลยนึกถึงอายุของโลกมันอาจจะหมดไปก่อนที่พระศรีอานจะมาตัดสั้นนี้พริศรอานอาจจะไปตัดสั้โลกอื่นเป็นไปได้ไหมครับ นั่นเรามันก็มีโลกมัอนอยู่ไม่ใช่มีโลกในโลกเดียวที่มีมนุษย์อยู่แต่ว่าเราอาจจะไม่สามารถติดต่อกับเขาเขาได้เพราะเขาอยู่ไกลกับเรามากเขาก็ไม่ติดต่อกับเราเราก็ไม่ติดต่อเขาแต่มันต้องมีมีที่ไปเกิดใหม่เรื่อยๆเพราะถ้าที่ไหนมีธาตุสี่ดินน้ำล ม, มไฟที่จะทําให้เกิดร่างกายเกิดต้นมไม้ใบหญ้าดได้มันก็มันก็จะมีดวงวิญญาณไปเกาะวิญญาณจะไปหา ร่างกายที่มีมีตาหูจมูกลิ้นกายมยีที่ไหนมันก็สามารถไปได้มันไม่ต้องเดินทางเหมือนเหมือนพวกเราต้องนั่งเครื่องบินไปกันเพียงแต่ส่งกระแสจิตเพียงแต่นึกคิดปักมันก็ถึงแล้วครับผมอันเป็นไปได้ว่ามีมีมนุษย์อยู่เองต่างต่างด า, าวเยอะแยะไปหมดเพียงแต่เราอาจจะติดต่อกันไม่ได้นะบางบางบางดาวก็อาจจะเจริมก่อนเราบางดาวก็อาจจะ ก็จะเสื่อมกับเรารก็ได้บางทีไม่แน่ศาสนาพุทธอาจจะไปเจริญอยู่ดาวอื่นด้วยนะครับอาจารย์ในอนาคตคมันก็ต้องไปตามตามเหตุตามปัจจัยที่ไหนมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ก็จะเกิดพุทธศาสนาขึ้นมาได้อาจารย์ครั บ, รรบมีคำถามจาก เ, เพื่อนๆถาม อันนี้เป็นสอดคล้องกับยุคนี้เลยครับบอกว่าบอกว่าจิตไม่ใช่ของเราอยากขอความรู้ว่าเมื่อจิตไม่ใช่เราแล้วเราต้องกระตันยูต่อพ่อแม่หรือไม่ครับมันไม่เกี่ยวกันนะคํำกระตันุูนี้เราคือมีความสํานึกในบุญคุณของคนที่เขามาให้มทําบุญคนให้กับเราเช่นคุณหมอให้เงินเราเนี่ยเราก็ต้องทำนึกว่าคุณหมอนี่มีบุญคุณกับเรานะประดีเราทุกยากเดือดรอนคุณหมอเห็นใจก็เลยช่วย บันเทาความทุกข์ยากอย่างเรานั่นเป็นติตสำนึกของคนคนคนมบลีย์คนที่รู้คุณของคนอื่นเนะใช่ไหมส่วนจะมีหรือไม่มีนั้นไม่ไม่ไม่เกี่ยวว่าจะมีตัวเราหรือไม่มีตัวเราวเวลาคุณได้รับผลประโยชน์คุณไม่ได้บอกว่าผมไม่มีตัวเรานี่ยนะแล้วพอมาเลี้ยงดูคุณมานี่ใครได้รับผลประโยชน์ก็คุณน่ะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ถึงแม้จะผู้รับผลประโยชน์ไม่ใช่ตัวตนมันมันก็เป็นผู้ที่รับผลประโยชน์นะ เข้าใจไหมมันไป็คนละเรื่องกันจิตก็เป็นผู้จิตของลูกก็เป็นผู้รับผลประโยชน์จากพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงร่างกายของลูกเพราะถ้าลู ก, ลกเลี้ยงร่างกายของตัวเองไม่ได้ตอนเกิดมาใหม่ๆใครจะเลี้ยงอ่ะถ้าพ่อแม่ไม่เลี้ยงก็ตายเั้านั้นอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนะ มันเกี่ยวกับว่ามีการกระทํำที่เป็นบุญเป็นคุณหรือไม่มีใช่ไหมแล้วผู้ที่ได้รับประโยชน์จะไม่มีความสํานึกในบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณเหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่มีใครว่าก็ก็เป็นคนอักตันยอยู่ไปเท่านั้นเองก็เป็นคนที่ไม่มีความกตัญญูคนที่เขาใครเท่รู้จักคนที่ไม่มีความกตัญญูก็ไม่อยากจะไปช่วยเหลือกันให้เสียเวลาช่วยเหลือเขาแล้วเขาก็ไม่เห็นบุญคุณของเรา ถึนแม้เราจะไม่เรียกร้องเอาบุญคุณตอบแทนจากเขาแต่เราก็เชื่อไปช่วยคนที่เ็ามีความกตันอยู่ไม่ดีกว่าท่านั้นเองอันนี้เป็นเสร็จคุณจะไม่กระตันอยู่ก็ได้คุณจะกระตันอยู่ก็ได้มันอยู่ที่ตัวคุณแต่ผลก็ผลก็จะเป็นคนเป็นผู้รับผลของความมีความกตันอยู่หรือไม่มีความกระตันอยู อาจารย์ครับมีคนถามว่าคาราวาสามารถจับบรรลุทำได้หรือไม่ครับก็อตอบมันอยู่ตลอดเวลาว่าไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยผู้หญิงผู้ชายคาราวาสหรือนักบวชแก่เรืออ่อนนี่สามารถบรรลุทำได้ทุกคนถ้ามีคุณธรรมพร้อมที่จะบรรลุต้องสร้างคุณธรร ม, มขึ้นมากแปดขึ้นมาถ้ามีมากแปดครบบริบูรณ์ก็สามารถบรรลุทำได้ทุกคน สมัยพุทธกาลมีคนบรรลุรมได้ทั้งคารวะทั้งผูทั้งนักบวชมีทั้งพระมีทั้งสัมมเนนนะเคยมีนิทานเรื่องสัมมเนนสอนพระนะมีพระผู้ใหญ่เรินแต่พระไตยิยเปแต่็ไม่ปฏิบัติพระเจ้าเจอกี่ครั้งก็บอกว่าเธอนี้เป็นใบลานเปล่าอยู่ไ ป, ปเปล่าๆกินไ ป, ปเปล่าๆนอนไ ป, ปเปล่าๆตายไ ป, ปเปล่าๆคือไม่ได้รับประโยชน์จากการได้เรียนพระไตายเปโตก ก็ไม่นำมาไปปฏิบัติพอพูดอย่างนี้นะก็เลยเกิดจิตสํานึกว่าต้องไปปฏิบัติก็เลยไปหาพระอารหันต์ไปสํานักที่มีแต่พระอารหันต์สำนักพระอรหันต์นี่ก็มีตั้งแต่พระผู้ใหญ่ถึงถึงสมณะพระผู้ใหญ่ก็เวลาไปกราบพระผู้ใหญ่วันหะน้าท่านก็ปฏิเสธท่านนอยโอ้ท่านพรรษามากกับผมผมสอนท่านไม่ได้หรอก็อกไปในองค์ที่สองที่สามไล่ไปท่านก็ตอบเหมือนกันหมดเมือองค์สุดท้ายเป็นสมณะ มันก็ไปกราบขอให้สมมาเนยสอนสมมาเนยตอนตอน้ตนเขมองเห็นพระผู้ใหญ่ท่านปฏิเสธแล้วเราจะไปรับได้ยังไงวันดีพระผู้ใหญ่ท่านเอ่ยว่าสัมมาเนยไม่ปรดไม่ปวดท่านนัท่าหน่อยหรือสมมาเนก็เลยรับพระเทล่านี้ไปเป็นลูกศิษย์ไปสอนธรรมะแต่ก่อนจะสอนนี่เอามาฝึกดูว่าดูดูว่ามีมีความพร้อมที่จะรับธรรมะหรือเปล่าจะเชื่อฟังหรือเปล่าก็เลย เอามาเป็นคนรับใช้ก่อนมาเป็นเป็นพระอุปถากสามเณรก่อนให้ช่วยล่างบาตรช่วยกราบกุฏิช่วยล่างกระโถนซักกีวรให้อะไรต่างๆบางทีก็ใช้ให้ทํานูาน่นทํานี่บางครั้งก็แก้งใช้ให้ลงไปดูเอาของที่อยู่ในน้าพอลงไปดูลงไปในน้ำเปลียบเครื่องตัวก็บอกไม่เอาแล้วเปลี่ยนใจไม่ต้องก็ได้ก็จะทดสบอบดูว่าพระเถเรซจะมีปฏิญาณไงจะโกรธหรือไม่โกรธจะ ก็ั้งกษณะการเคารพอยู่ทุกอย่างไม่มีการฝ่าฝืนจนพอจนพอสมเณะเห็นว่าเชื่อฟังจริงๆสมณะก็เริ่มสอนสอนธรรมะสอนธรรมะเป็นงครั้งสองครั้งท่านก็บรรลุธรรมได้ดังนันมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเพศเป็นวัยกาลว่าด้วยญาตโยมอยู่ที่ว่าใจน้อมน้อมรับธรรมะได้หรือเปล่า ถ้าไปศึกษาครูบาอาจารย์แล้วเถียงครูบาอาจารย์อย่างนี้ก็คงจะบรรลุยากโดยถ้าถ้าเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ที่ท่านหุดพ้นแล้วเ <Okay. S 1> นี่ยเพราะที่ไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่จะน้อมกายถวายชีวิตให้กับท่านเลยท่านบอกให้ก็โดดก็โดดท่านให้ทําไหนก็ทำํำเลยเชื่อเต็มไว้เลยว่าสิ่งที่ท่านสอนนี่เป็นเป็นคุณเป็นประโยชน์กับเรา ไม่มีโทษกับเราแต่อย่างใดแถ้าท่านสอนแล้วก็เถียงท่านว่าเป็นได้แล้ว อ, อย่างงั้นอย่างนี้เลอไม่เชื่ออย่างนี้ก็ท่านก็จะไม่สอนเลยเสียเวลาหรือเดาสอนแล้วห้ามแล้วไม่อยอมทําตามท่านก็จะไม่สอนอย่างลุงตาท่านเคยเคยห้ามคุณน้าชีแก้วท่านชอบอภิญญาท่านชอบเข้าไปอุปจารสมาธิไปพบกับกายทิพย์ตา่ตางๆ หลวงตาท่านทาบท่านก็เดินหลายครั้งบอกว่ามันไม่ใช่ทางนะอุปจารสมาธิไปเราจะเสียเวลาจะลวงทางเดินไหนก็ไม่ยอมฟังครั้งสุดท้ายท่านก็เลยบอกว่าถ้าถ้าครั้งนี้ถ้าเตือนแล้วไม่ไ ม, ไม่ทําตามก็เลิกเป็นครูเป็นลูกศิษย์กันนะท่านจะตัดขาดเลยไม่สอนแล้วสอนไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสอนคุองื้อมันก็ไม่ได้อะไร อ้าเาไม่ชื่อฟังก็มันก็เหมือนกับเทน้ําใส่หลังสุนัขนะท่านบอกนั่นแหะเทน้ําใส่หลังสุนัขเป็นังไงมันก็สะบัดที่หมดครับทอย้ายคงต้องมีคุณธรรมเี่ยต้องมีสัมมาคารวะต้องมีศรัทธาความเชื่อในครูบาอาจารย์ในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นเบื้องต้นแล้วก็มีมีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญามีมีพระห้า คือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาอถ้ามีครบองค์ทั้งห้านี้ก็บรรลุธรรมได้จากหนุ่มน้อยครับบอกว่าทําไมคนสมัยนี้เห็นแก่ตัวเยอะมากครับเป็นเพราะอะไรครับเพราะไม่มีใครสอนให้เสียสละกันไงมีแต่สอนให้เห็นแก่ตัวกันพ่อแม่ก็ทําตัวเป็นให้เห็นแก่ตัวลูกๆ ก, ก็ทําตัวก็เชื่อตามพ่อแมนะ่โรงเรียนครูบาอาจารย์สมัยนี้ก็เห็นแก่ตัวกนะันน ไม่ก็มีการเสียสละกันเท่าไหร่ไม่มีกิจกรรมที่ไปทําเป็นจิตอาสาไปทําประโยชน์ให้กับสังคมบ้างอไปทําบุญใส่บาศบ้างบ่อยจากช่วยสังคมอะไรบ้างไม่ก็มีกิจกรรมเหล่านี้ทำกันมีแต่สอนให้ตัดตัวอย่างเดียวมันก็เลยมีแต่การเห็นแก่ตัวกันอยู่ดูแลพ่อแม่สามีและครอบครัวคนจีนเหนื่อยใจมากคิด แต่ก็ท้อจังครับต้องคิดต้องทําอย่างไรดีครับอ๋อเราก็ทําไปตามหน้าที่ของเราเราอย่าไปหวังให้เขาขอบคุณเราหรือว่าอะไรกับเราเรวเราอย่าไปหวังไปเปลี่ยนเขาเราต้องทําตัวเราให้เป็นเหมือนแก้วเป็นเหมือนคนรับใช้แล้วเราจะไม่เหนื่อยเราให้เขาใช้เพราะนี่คือธรรมเนียมของคนจีนอยู่แล้วถ้าเป็นลูกสะายมาอยู่บ้านนี้ ก็เป็นเหมือนคนใช้ดีๆนี่เห็นถ้าเร า, าเราเลือกสามีเป็นจีนแล้วไปอยู่บ้านเขาก็ต้องยอมแล้วว่าเราสลัรเป็นคนรับใช้เขา <c oughs> ยอมแล้วเป็นคนรับใช้แล้วเราก็จะไม่เหนื่อยเรารู้ฐานะของเราแต่ถ้าเราคิดว่าเราเป็นภรรยาเราต้องได้รับการได้รับเกียรติได้รับการยกย่องได้รับการคำนับถือเราก็จะเหนื่อยทันทีเพราะเขาจะไม่เห็นเราก็เป็นอย่างนั้นเี่ยความทุกข์เกิดจากความอยากของเรา อยากให้เขาดีให้เขาเคารพเราอะไรให้เกียรติเราแต่เขามองว่าเราเป็นคนใช้เขาจะมาให้เกียรติเราทำไมนอกจากว่าถ้าเราทำตัวให้เขาเห็นว่าเราเราเป็นคนที่ทำเนื้อทำตนจริงๆวันหนึ่งเขาอาจจะให้เกียรติเราก็ได้เห็นความดีของเราท่านใหม่ๆนี้อาจจะเป็นการทดสอบกันหรือว่า อ, อยอมรับเป็นคนใช้ได้หรือไม่ ถ้ายอมรับได้ทำตัวเป็นคนใช้ต่อไปเขาว่าอาจจะเห็นว่าเราเป็นคนดีแล้วเขาก็จะเคารกเราให้เกียรติเราต่อไปเองแต่ถ้าเราจะไปดีแมนไปเรียกว่าฉันเป็นพัญยาของลูกชายต้องได้รับเกียรติเท่ากับลูกชายอย่าไปหวังเเขาไม่ให้เกียรติเราเหมือนเขาให้ลูกชายแล้วธมเนียมจีนยนะครับอาจารย์ วันก่อนพระอาจารย์เทศบอกว่าให้ทําตัวเหมือนดินใครจะเหยียบย่ําก็ไม่โกรธใครจะฉีดรถก็ไม่โกรธฟังง่ายแต่ทํายากมากครับอยากถามพระอาจารย์ว่าควรใช้ธรรมะข้อไหนในการวางอารมณ์เฉยไม่โกรธไม่เกลียด ไ, ไม่แค้นครับก็พระเจ้าสอนให้เรามีขันติความอดทนให้เรามองมุมมุมกลับมองเหตุการณ์ที่เป็นหล า, ารย์เลวร้ายกว่า น, นี้ก็ได้เช่นถ้าเขาไม่ชอบเราก็าให้เราคิดว่าดีแล้วเขายังไม่ได่าเรา แล้วเขาด่าแล้วก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราแล้วเขาตีตาา เ, ราๆๆๆเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราเขาฆ่าเราก็คิดว่าดีแล้วจะได้หมดเวรหมดกรรมกันไปถือว่าเราเป็นคู่เวรคู่กรรมกันมาก็แล้วกันคนที่เขาทําร้ายเราคนที่เขาดูถูกดูแคนแลนเราก็ถือว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมกันมาก็แล้วกันแล้ว <Okay. S 1> ต้องใช้กรรมกันไปให้มันหมดกรรมไปอย่างมากก็ยอมตาย เป็นพันมโมกกาลนะถ้านยังยอมตายถ้าไม่ใช้อิทธิฤทธิ์ที่ท่านมีเพื่อป้องกันไม่ให้เขามาทําร้ายท่านท่านหลบป้องกันวันนี้พรุ่งนี้ก็ตามมาใหม่เวรกรรมนี้มันจะไม่หมดจนกว่าเขาจะได้เขาจะได้จองเวรได้สําเร็จตามความที่เขาต้องการนะครับเขาถึงจะเลิกจองเวยนะเอ็ไม่ใช้เวรใช้กรรมไปเถอะใช่ก่อนแล้วอาจจะไปทําร้ายใครทําให้เขาโกรธแค่โกดเครื่องเามาชาติา น, นี้เขามาตามพบเราเขาก็จะมา มาทันร้ายเราพูดร้ายกับเรานะเราก็ต้องใช้ขันติคิดไปในในมุมกลับในมุมว่ามันอาจจะเลว้ายก่อนยิ่งขได้เขาไม่ชอบเราก็ดีนะถ้าเขาไม่ได่าเราอย่าไปหวังอะไรจากเขาเขาไม่ชอบเราก็แบบเขาไม่ชอบเราไปก็จบเราไม่ต้องไปตอบโต้ถ้าเราไปตอบโต้ยิ่งกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นไปคือลองใช้ความเมตตาให้อภัยนะเอา เอาความดีชนะความเชื่อเอาควา ม, วามเมตตานี้จะชนะคนที่เป็นศัตรูได้แต่ถ้าใช้ความโกรธนี่มันก็จะไม่ได้เปลี่ยนศัตรูให้มาเป็นเพื่อนได้พระพุทธเจ้าใช้ความเมตตาต่อองคุลิมานไม่ตอบโต้ไม่ทำร้ายองค์คุลิมานแก่กลับให้ธรรมะต่อองค์ุลีมานคนธรรมะมีดวงตาเห็นธรรมเป็นรู้เป็นพระอรหันต์นขึ้นมากลายเป็นสาวก ข, ของพระเจ้าขึ้นมาน เราต้องมองมองผลที่จะตามมาจากการที่เรากระทาตัวเราไม่โกรธเขาไม่อค่ า, าพยาบามเขาให้อภัยเขาว่ามันจะมีแต่ผลดีตามมาต่อไปเข า, า จ, จะเปลี่ยนใจจากการก่ดแข้งกดเข่งเรามาอาจจะมารักมาเคารพเราก็ได้ที่เราไม่ไปตอบโต้เลยไม่ทําร้ายเขาให้อภัยเขาเวลานั่งสมาธิใจไม่นิ่งเลยพยายามทําแล้วแต่ก็ไม่ดีขึ้นเลยครับ ขาดสติต้องฝึกสติออกมาให้มากมากก่อนคนจะฝึกสติตั้งแต่เราเตื่นขึ้นมาเลยโดยเฉพาะช่วงที่เรายังไม่ต้องไปพบปากกับใครช่วงที่เราเตรียมตัวไปทํางานอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารช่วงนี้เราอยู่คนเดียวพยายามจดจาร์สติท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องนี้เรื่องนี้แล้วในระหว่างวันมีช่วงไหนที่นึกถึงพุทโธได้ก็นึกไป ชุดไหนที่ต้องทำงานใช้ความคิดักคิดไปพยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆ เ, เวลามานั่งสมาธินี้ใจไม่ฟุง้งยังนั่งสงบได้ก็เลยทุกคนที่นั่งสมาธิไม่ได้ผลเพราะไม่มีสติสติมีกำลังไม่พอที่จะหยุดความคิดปรุงแต่งของจิตในฐานะฆราวาสเราจะเตรียมตัวรับกับความแก่ความเจ็บความตายได้อย่างไรมีวิธีปฏิบัติอย่างไรครับ เบื้อต้นก็ก็ท่องจำให้ว่าอย่าให้ลืมว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะคิดอยู่ทุกวันเราจะได้ไม่ลืมเมื่อเราไม่ลืมแล้วเราก็จะสอนถ้าเกิดเป็นการสอนใจให้เราค่อยๆยอมรับความจริงได้พอจะเรายอมรับความจริงแล้วมันก็จะไม่ต่อต้านกับความจริงความอยากไม่แก่อยางไม่เจ็บอยางไม่ตายมันก็จะลดน้อยลงไปเบาลงไปนะแล้วมันจะทาให้เวลาเจความแก่มันจะไม่ทุกข์ มาที่ทุ ก, กันก็เพราะว่าเราต่อต้านความแก่เราอยากไม่แก่เราอยากไม่เจ็บเราอยากไม่ตายกันเท่านั้นเองยั้นมันสอนใจอยู่เรื่อยๆให้ให้รู้ว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วใจจะค่อยๆ ย, ยอมรับไปทีละทีลน้อยถ้าอยากจะให้มันรับได้เต็มที่ก็ฝึกสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบถ้าใจนิ่งสงบแล้วนี่มันรับได้เต็มร้อยเลย แต่ถ้ายังไม่สงมบมันก็รับได้เป็นบางส่วนบางบางเวลาถ้าเรานึกถึงนึกถึงความแก่ความเจ็บแล้วเรายอมรับได้แต่ช่วงไหนถ้าเกิดแล้วเผลอปล่อยให้กิเลสมาต่อต้านเราก็จะทุกข์ได้เราหั่นพยายามนึกถึงเนื่องพระเจ้าสอนชาวพุทธเราให้นึกอยู่ทุกวันว่าเมื่อเกิดมาแล้วเราจะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาลวงว้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ต้องพัดพากจากกันเป็นธรรมดา ลงพ้นจากการพัดท่าจากกันไปไม่ได้ให้สอนใจอยู่เรื่อยๆไม่ให้ลืมสอนไปเรื่อยๆแล้วต่อไปใจก็จะค่อยๆอ่อนยอมยอมรับความจริงอันนี้นไปพ อ, อเจอเหตุการถึงแม้จะเศร้าบ้างทุกข์มางมันก็อย่างไยก็ไม่ไม่รุนแรงแต่ครับข้ามเสียสติเป็นบ้าไปสําหรับคนบางคนเวลาที่นั่งสมาธิจะมีอาการปวดถ่วงที่หน้าผากเกิดจากสาเหตุอะไรครับ มันก็เป็นอาการที่เกิดจากกิเลส ท, ที่มันไม่ยอมให้เรานั่งสมาธิมันก็จะสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาคันตรงนั้นมากเจ็บตรงนั้นมาางปวดตรงนี้บ้างอย่าไปสนใจมันเป็นมายาของจิตของกิเลส ท, ที่มันสร้างขึ้นมาขอให้เราอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆถ้าเราใช้พุโทโธถ้าเราดูลมก็ดูลมไปเรื่อยๆถ้ายังทำแล้วมันยังไม่หายก็แสดงว่าสติเรามีกาลังน้อยวาต้องพยายามฝึกสติให้มาก ช่วงที่นั่งสมาธิอาจจะใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้แต่ถ้านั่งเฉยๆพุโทโธรุดดูลมแนละ้วมันอาจจะเกิดอาการตึงเครียดขึ้นมาก็แสดงว่าสติและยังมีไม่พอก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนช่วยสร้างสติขึ้นมาพอสวดไปแนละ้วอาการกต่างๆมันหายไปพอกลับมาดูลมได้ก็ดูลมต่อไปหรือพุทโทได้ก็พุทโทต่อไป การลาพุทธภูมิต้องทําอย่างไรและจะเกิดปัญหาอะไรในทางโลกไหมครับถ้าลาพุทธภูมิแล้วครับก็เป็นเป็นเหมือนวิชาเรียนเนี่ยตอนตั้นอยากจะเป็นหมอแล้วเรียนไปเรียนมาว่าเรียนไม่ไหวแล้วก็เปลี่ยนใจไปเรียนวิศวะแทนแล้วกันก็ทั้งนั้นเนี่เป็นการเปลี่ยนใจเ <c oughs> มื่เรารู้ว่าการจะไปพุทธเป็นพระเจ้านี้ต้องต้อง <c oughs> ต้องสร้างบารมีอีกไม่รู้กี่แสนกับตอนนี้มีทางแล้วมีพระเจ้าบอกทางให้เราแล้ว เปลี่ยนดกามาเป็นสาวกดีกว่ามาเรียนจากพระเจ้าเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีก็บรรลุแล้วหลับสดสั้นกว่าเพราะนั้นหมอเดีนมอต้องใช้เวลาเจ็ดสิบปีเีนวิศวะแค่เจ็ดปีเนี่ยเปลี่ยนดีกว่าครับทำอย่างไรจะตามความคิดทันชอบคิดถึงคนที่ไม่ชอบทำให้ตอบย้ำความทุกข์ครับอันนี้อาจาริ์สติ ไ, ไ, ไปไบ่อยพุทโธไปบ่อย พอคิดอะไรไม่ดีแล้วก็พุทโธพุทโธหยุดมันได้เลยแต่ถ้าเราไม่เศร้าไม่ก่อนมันจะไม่จะไม่มีกําลังที่จะนึกถึงพุทโธงั้นพยายามฝึกพุทโธตอนช่วงเช้าตอนที่เราตื่นนอนขึ้นมาพอตื่นนอนขึ้นมาดริ่พุทโธเลยพอเรารู้สึกตัวก็พุทโธเลยลุกขึ้นมานั่งกับพุทโธยืน่งกนพุทโธเดินก็พุทโธเข้าห้องน้ํากับพุทโธอาบน้ําแต่งตัวกับพุทโธกินอาหารกับพุทโธไปเรื่อย แค่มันมีพุดโธอยู่ในใจไปแล้วต่อไปเวลาใจคิดอะไรพอรู้ว่ามันคิดปั๊บก็ใช้พุโทโธหยุดมันได้เลยคนที่ชอบแขวะเราเราควรจะตอบโต้หรือนิ่งดีครับนิ่งดีที่สุดให้เคิดว่าดีแล้วเขาเพ็นงแต่แขวะเราเขายังไม่ตีเราจบนะเราบุญแล้วโชคดี <laughs> แล้วก็ไปแล้วก็เฉยๆไป อย่าไปตอบโต้ตอบโต้เดียวจะกลับมาแรงกว่าเก่าเพราะแข็งแล้วเรากระกลับไปเดี๋ยวก็กลับมาแรงกว่าเก่าเดี๋ยวก็มาตีเราจนได้พอตีเราเราตีกับเ้าที่นี่เขาจะมาฟันเราฆ่าเราได้เพรนี้อย่าตอบโต้อะไรดีสุดเวียนย่ำระงับด้วยการไม่จองเวรถ้าอยากใช้หมดเวรหมดกรรมก็อย่าไปตอบโต้การตอบโต้ก็เป็นการจองเวรจองกรรมกันมันก็จะไม่มีวันสิ้นสุด อยอมนะว่าเราต้องใช้เวรใช้กรรมนี่คือเจ้ากรรมนเวรของเราคนที่แคะเรานี่แหละคือเจ้ากรรมนเวรของเราไม่ใช่เป็นกายทีย่หรืออะไรลึกลับที่ไหนหรอกคนที่เรามีปัญหาด้วยแนหะคนนั้นแหะคือเจ้ากรรมนเวรของเราซึ่งอาจจะเป็นใครก็ได้อาจจะเป็นพี่น้องกันก็ได้อาจจะพันยุ์ญาติสามีกันก็ได้อาจจะเป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้เรื่องเรื่องเหล่านี้มันมัน มันเป็นไปได้หมดเพราะดวงวิญญาณของเราแต่ละคนมันมาเกิดกันจากทิศต่างๆมาเกิดเป็นเป็นพี่น้องกันบ้างมาเกิดเป็นพ่อลูกกันบ้างแม่แม่ลูกกันบ้างสามีภรรยากันบ้างเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นปัญหากับเราเราต้องรู้เราต้องคิดนะว่าเขาเป็นคู่กรรมเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรเราวิธีที่จะทําให้หมดเวรหมดกรรมก็อย่าไปตอบโต้กันอย่าไปจ้องเวรจองกรรมกันถ้าเดี๋ยวเวรมันก็จะหมด เวรย่ำรับด้วยการไม่จองเวรยอมไม่เวนไม่ระนับด้วยการไม่จองเวรนี่คําสอนของพระเจา้าบางคนเขาจะนึกว่าเรายอมแพ้ไปเลยนะครับอาจารย์ก็แพ้สิแพ้เป็นท้าชนะเป็นมาเนี่ยเกาอยอมแพ้ไม่อยากจะมีเรื่ อ, กองกับใครยอมให้ทุบตีด้วยคุณอยากจะทุบตีแเรวก็ทุบตีอยากจะฆ่าฟันเราฆ่าฟันขอให้เรื่องมันจบก็แล้วกันดีกว่าต้องมาจองเวรกันเป็นสิบสิบปีเป็นเดือนเดืนนี่มันจะดียัง เราตีเขาเราตีมันก็ต้องมาวาดผวาเดี๋ยเขาก็จะมาทำมาแล้วเราตอ่ออยากให้เขาตีไหให้จบับหมดเวรหมดกรรมกันไปคิดว่าตัวเองทําความดีมาตลอดแต่ชีวิตมีแต่เรื่องร้ายๆเข้ามาหลายครั้งเป็นเพราะอะไรครับ <c oughs> เป็นเพราะว่าเรามองตัวเราดีมองเรื่องของเราดีเวลาเราทําความดีนิดเดียวเหมือนกับเราทําเท้ากองภูกเขา เวลาเราทําความชื่อเท่ากับภูเขาแล้วกลับให้นว่าเป็นผงทุลีนี่คืออคติของเราเองเวลาเรามองตัวเราเองเรามักจะมองเราผิดมองเราประเมินตัวเราผิดเราทําความดีนิดเดียวแต่เราคิดว่าเราทำเท่ากองภูเขาแต่เวลาเราทําความชั่วเท่ากับกองภูเขานี่ยเราคิดว่ามันแค่เป็นแค่ผงทุลีเล็กๆน้อยๆดูผลน่ะผลน่ะเป็นตัวฟ้องเราว่าเราทําดีแล้วชั่ว ถ้าเรื่องร้ายมันเกิดขึ้นกับเราก็แสดงว่านี้ยผลชั่วมันมันกลับมาหาเราแล้วลวที่เราทํามางั้นอย่าไปอย่าไปอย่าไปคิดว่ า, วาเราทําดีเยอะทําไมเราเจอแต่ของไม่ดีมันไม่จริงหรอกถ้า เ, าเจอของไม่ดีก็แสดงว่าเราทําความชั่วมาเยอะครับจิตใจของคนตกต่ําลงทุกวันเป็นเพราะความเสื่อมของศีลธรรมหรือเปล่าครับ ก็นั่นแ่ะการที่ไม่มีใครอบรมไม่มีใครสนใจที่เข้าไปศึกษาศีลธรรมกันก็เมื่อก่อนนี้เรามีวิชาศีลธรรมอยู่ในอยู่ในหลักสูตรของการเรียนหน้าที่พลเมืองเออสมบัติผู้ดีคุณหมอก็ได้คำว่าสมัครผู้ดีไหมเนี่ยเป็นเรื่องของศีลธรรมทั้งนั้นอ่ะอย่างนี้ทิ้งไปหมดแล้วเพราว่าเรื่องเหล่านี้มันน่าสมัยไม่ไม่ทันสมัยเพื่องของเรานี้เอามาทํำทํา ทำเงินทำทองไม่ได้เด็กเหนี้เขามองแต่หาวิชาที่จะทำเงินทำทองเพียงอย่างเดียวเพราะเงินทองจะได้เอามาตอบสนองตัณหาคือการมาตัณหาของเขาก็เลยตัดศีลธรรมออกไปหมดคนเลนไม่รู้จกักศีลธรรมันเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักสัมมาคารวะไม่รู้จักความกตัญญูกตเวทีไม่รู้จกักคีรีโอตระปาเนี่ยความละอายเนี่ยนงนินผู้รู้นี่ท่านมีมอสโตอยู่ว่า ให้มีความละอายให้เป็นคนมีความกระตันอยูมีความละอายเนี่ยคุณสมบัติของคนนะจะเป็นมนุษย์ที่ดีได้มันต้องมีความกระตันอยู่ต้องมีความละอายในการกระทําบาสนี้มันไม่ดีมันจะเหมือนกับเดรัจฉานเนี่ยมันเหมือนกับเหมือนกับศาสเดรัจฉานมันไม่มีความกระตันอยู่ไม่มีความไม่มีความสัมมาคาระวะไม่มีความละอายในการกระทําบาศ อย่างนี้เริ่มทำบาป ก, กันอย่างจงแจ้งเนียเสพการมกันการถนนกลากลารสถานที่สาธารณะกันอย่างไม่รู้สึกย่างอายกันพวกโจรพวกคอเซ็นเตอร์เขาตายไปจะได้เกิดเป็นคนชั่วแบบชาตินี้อีกไหมครับ่ก่คนไม่กลับมาเกิดก็ต้องปเป็นเปรตยังไม่รู้กี่กี่กับนะอยู่เป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหวยหิวตลอดเวลา แล้วก็ไม่มีอะไรจะมาทําให้อิ่มยังกับการรมที่ทําไว้หมดถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ก็จะกลับมามีนิ ส, สัยเดิมอยู่ดีก็จะกลับมาทําบาปเหมือนเดิมนอกจากว่าได้มาเกิดในครอบครัวที่เขาไม่ทําบาปแล้วเขายามอบรมสั่งสอนให้ไม่ให้ทําบาปก็อาจจะเปลี่ยนนิ ส, สัยได้แต่ถ้าไปเกิดในครอบครัวที่ไม่มีใครมาอบรมสั่งสอนมันก็จะใช้นิ ส, สัยเดิมเคยทําบาปมาก่อนมันก็จะทําบาปต่อไป ลูกได้เจอเพื่อนพูดถึงเรื่องการฝึกตื่นรู้จะถึงพระนิพพานเร็วก็ว่าการนั่งสมาธิกว่าการนั่งสมาธิแตกต่างอย่างไรคะแต่เท่าที่ลูกติดตามพระอาจารย์หลายๆท่านทุกท่านล้วนได้นิพพานจากการนั่งสมาธิครับก็มันต้องมีมรรคแปดนะมรรคแปดก็มีสัมมาสมาธิสัมมาสติสัมมาปิติก็คือปัญญาไม่ใช่เพียงแต่ฝึกตื่นรู้เท่านั้ น, ม, นมันจะไม่รู้อะไรตื่นรู้ แล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงพวกที่สอนแบบนี้แล้วคนก็ไปเชื่อกันสิ่งที่พระเจ้าสอนกับไม่เชื่อกันทำให้ไม่รู้เรื่องมั่งแปลกันมั่งเลยพระเจ้าบอกถ้าอยากจะบรรลุมั่งผลนิพพานก็ต้องเจริญมั่งให้มากเจริญมั่งที่มีองค์แปดสรุปลงมาส่้นๆก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนีเอาแต่ตื่นรู้ตัวเดียวศีลก็ไม่รักษาสมาธิก็ไม่นั่งมันไปเตื่นรู้อะไรก็ไม่รู้ไปเตื่นรู้อะไรกัน ชัดเจนครับอาจารย์เีคนไปอย่างนี้เยอะมากเลยครับมันง่ายไงใครรู้ง่ายๆ่ยอ๋อตื่นรู้ก็มันไม่ผ่านได้สบายก็ตื่นตอนนี้เราก็ตื่นนะเพียงแต่ขอให้นอนรู้รู้อะไรก็ไม่รู้อีกรู้สังโยชน์แล้วแบบเี่สิบตัวสังโยชน์สิบรู้เปล่าถ้าจะตื่นรู้มีสังโยชน์อยู่ในใจแล้วเปล่าสิบตัวนี้ได้สังโยชน์สิบตัวนีน้ได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยไม่จะไปตื่นรู้อะไร ถ้าเราปฏิบัติธรรมบิดามารดาจะได้บุญหรือไม่เนื่องจากเราก็ถือเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของท่านครับไม่ได้บุญโดยตรง บ, บุญที่เราทำเป็นของเราหมดท่านอาจจะได้ทางอ้อมคือท่านมีความสุขใจที่เห็นลูกเป็นคนดีอันนี้ก็เป็นผลพลอยได้นก็เป็นส่วนย่อยคือเห็นลูกมีความสุขพ่อแม่ก็มีความสุขถ้าเห็นลูกไปติดคุกติดตารางพ่อแม่ก็จะเกิดความทุกข์ตามมาทุกตามลูก อ่นนี้เป็นเพลงแต่ส่วนย่อยที่เกิดจากการกระทําของเรานแต่ส่วนใหญ่ที่เราได้นี่พ่อแม่ไม่ได้เราเราได้มักผลนิพพานนี่พ่อแม่ก็ไม่ได้มักผลนิพพานนอกจากว่าเมื่อเราได้มักผลนิพพานแล้วเราก็กลับไปสอนพ่อแม่อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพอท่านบรรลุแล้วท่านก็กลับไปสอนพ่อสอนแม่จนได้บรรลุมากผลนิพพานตามกม า, มาต่อไป เคยได้ยินคําว่าจิตประพัดสอนเมื่อมีความสงบขอความเมตตาจากอาจารย์นะครับจิตประพัดสอนเป็นอย่างไรครับก็จิตสว่างสวยัยเวลวจิตสงบเวลาเข้าฌานเข้าสมาธินี่จิตมันจะสว่างสวยขึ้นมาเพราะกิเมันตัวที่ทําให้จิตเศร้าหมองมันสง บ, บตัวลงจิตก็เลยสว่างสวัยขึ้นมาแต่มันไม่ได้เป็นนิพพาน จิตนิพพานไม่ใช่จิตประพาสสอนคนตัอย่างค่ะจิตนิพพานนี้เป็นจิตที่ปราศจากกิเลสจิตประพาสสอนนี้ยังมีกิเลสอยู่เพียงแต่ว่ากิเลสสงบตัวลงเนื่องจากกําลังของสมาธิกดมันเอาไว้แต่พอจากสมาธิมาจิตที่เป็นประพาสสอนก็เสื่อมก็ก็ก็เศร้าหมองลงกับเศร้าหมองตามอำนาของกิเลสที่โผล่ขึ้นมายิ่งต้องชำระกิเลสให้หมดสิ้นมาจากใจแล้วจิตก็จะเป็นจิตบริสุทธ จิตเบิ่งส่วนนี่เราเริี่านิพานไม่มีกิเลสตัณหาลงเหลวอยู่ในใจต่างจากจิตประพาสสอนจิตประพาสสอนนี้เป็นจิตที่กิเลสสงบตัวลงชั่วคราวด้วยอํานาจของสมาธิแต่วพอกจากสมาธิมาจิตกิเลสที่ถูกสงบตัวด้วยอํานาจของสมาธิก็จะโผล่กลับคืนขึ้นมาทําให้จิตที่สว่างสวายประพาสสอนนี่กลายเป็นจิตเศร้าหมองได้ ต้องใช้ปัญญากำจัดกิเลสให้หมดไปจากใจพอสมาธิไม่สามารถกำจัดกิเลสได้ใครได้ขั้นชาญได้สมาธินี้นถือว่าได้จิตประภัสอนรครับถ้าเราไปเจอคนทำผิดกฎมารยาทไม่ดีเช่นแซงคิวคุยเสียงดังเล่นโทรศัพท์ในโรงหนังเราตักเตือนเขาได้ไหมครับถามก่อนขออนุ ญ, ญาตได้ไมเรยกมือไว้เขาก่อนเลยถ้าอยากจะทำให้มีเรื่อวเราไปพี่ ขอโทษอ่ะขออนุญาตได้ไหมครับจะบอกอะไรหน่อยถ้าบอกมึงจะมียื่องเกี่ยับกูสมัยก็ถ้าก็ตอบเองก็้คงจะไปบอกเขาไม่ได้แต่เขาบอกได้ครับมีอะไรเลยครับก็บอกเขาไปแต่พี่กําลังแซงคิวนะอะทีนี้ก็อยู่ที่เขาแล้ะเขาจะตอบโต้เราอย่างไงก็อาจจะขอบคุณครับก็ได้เนื้อเขาอาจจะด่ากลับเราก็ได้คุณพร้อมที่จะรับผลที่จากการกระทําของคุณหรือเปล่าถ้าคุณไม่พร้อมคุณก็อยู่เฉยๆดีกว่า การออกกำลังกายที่เราโฟกัสในท่าที่เรากำลังทำอยู่ถือว่าเป็นการภาวนาโดยดูกายในปัจจุบันได้หรือไม่ครับก็เป็นการฝึกสติท่าใจเราไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นให้อยู่ตดดอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เรีกยกว่เเาเป็นการจเจริญกายยะกตาสติได้อไม่แต่ไม่ใช่แต่เฉพาะออ ก, กําลังกายทุกกคลียาบทของการเคลื่อนไหวเลย ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงหลับเนี่ยต้องดูเฝ้าดูตลอดเวลาเราก็จะไล่สติถ้าเรามีสติอย่างต่อเนื่องเวลานั่งสมาธิจิตก็จะเข้าสมาธิได้ง่อยได้เร็วได้นานเด็กเกเรเป็นที่กรรมของเด็กหรือพ่อแม่ผู้ปกครองสอนไม่ดีครับก็มีหลายส่วนในการส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ตัวเขาเองเขาจะมีนิสัยเกเรมาต้งแต่งเดิม สองพ่อแม่าจะไม่สั่งสอนไม่ห้ามปลามเนื้อแทนที่จะห้ามปล า, าปาอาจจะกลับสนับสนุนปล่อยให้เกเรอ่าโอ้โอยเวลาเด็กปล่อยมันเล่นมาแต่มันจะซนอะไรก็ปล่อยมันซนไปอย่างเงี้ยแล้วเร็วเป็นการส่งเสริมให้เด็กเกเรได้ถ้าแต่ถ้าพ่อแม่รู้ว่าการเกเรไม่ดีไม่ควรที่จะปล่อยให้เด็กเกเรเมื่อเห็นเด็กเกเรก็ต้องคอยพยายามห้ า, ามห้ า, ามห้ า, ามห้ามอยู่เรือเตือนอยู่เรื่อยๆเด็กก็อาจจะ โดยการเกลียลงได้หรือบางทีส่งไปที่โรงเรียนกินนอนก็นได้โรงเรียนกินนอนส่วนใหญในโรงเรียนดัดสันดานมีอยู่ที่โรงเรียนแล้วเขาจะมีกฎมีระเบียบต้องทําตามทุกคนนั่งสมาธิให้จิตสงบเราควรวางจิตอย่างอย่างไรครับวางจิตให้มีสติจิตต้องมีสติเวลานั่งสมาธิต้องมีสติอยู่กับอารมณ์เดียว จะเป็นพุโทโธก็ได้เป็นลมหายใจเขาออกก็ได้อย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับลมไปอย่างเดียวท่านดูลมถ้าพุโทโธก็พุโทโธไปอย่างเดียวไม่ต้องไปคิดอะไรแล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบนิ่งเฉยได้คนที่ตายไปแล้วจะเกิดมาในครอบครัวเดียวกันได้อีกไหมครับมันก็แล้วแต่จังหวะแล้วแต่โ อ, อกาสนะว่ามันจะมาพรอมกันหรือเปล่า เหมือนการโคจรของดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ดวงกับโลกเนี่ยนานๆมันก็จะมาเจอสุริยค่ากันสักครั้งนานๆก็จะเจอจันทรค่ากันสักครั้งมันก็แล้วแต่จังหวะของการมาเกิดนะถ้ามาเกิดจังหวะเดียวกันมันก็อาจจะเจอกันอีกก็ได้เวลาสวดมนต์หรือทํางานอยู่แต่เมื่อสมองอีกฝั่งพุดคําว่าพุทโธเป็นแบบนี้ทุกครั้งเวลาที่ทําอะไรแล้ว จดจ่อแบบนี้คืออะไรครับก็จิตธรรมมันก็แกว่งไปแกว่งมาอยู่อยู่กับสวดมนต์บ้างอยู่กับพุทโธบ้างเราต้องเลิกเขาอย่างไดอย่างหนึ่งนะแต่อย่าพุทโธก็พุทโธไปอย่างเดียวอย่าไปสวดมนต์ถ้าจะสวดมนต์ก็อย่าไปพุทโธถ้าจดจ่อว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ก็อยู่กับการจดจ่อเพียงอย่างเดียวอย่าปล่อยให้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแกว่งไปแกว่งมา ขอคำแนะนำการปฏิบัติอิริยาบถย่อยด้วยครับก็เนี่ยหละก็ให้รู้สึกรู้สึก ร, รู้การเคลื่อนไหวทุกอิริยาบถ ท, ทุกการกระทำเนนนั่งนอนหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวายกแขนซ้ายขึ้นยกแขนขวาลงอะไรหน้อนี้ให้รู้สึกตัวอยู่ทุกทุกอิริยาบถของการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม อยากเรียนถามผ้าจารว่าแต่ก่อนมีกลุ่มไลน์กับเพื่อนเพื่อนที่ชอบไปวัดสุดท้ายเพื่อนคนนึงบวชตั้งใจว่าจะบวชตลอดชีวิตแต่ท่านยังอยู่ในไลน์ที่เพื่อนๆคุยเล่นกันอยู่เราควรปฏิบัติตัวอย่างไรดีควรลบท่านออกจากกลุ่มไหมเคยเรียนถามท่านแต่ท่านยังไม่อยากให้ลบออกส่วนตัวกลัวว่าการคุยเล่นเรื่องไปเที่ยวกันอาจไม่เหมาะสมเท่าไหรก่กราบเรียนถามครับก็เป็นตัวท่านเองต้องเป็นผู้ที่จะต้องพิจารณาดู ว, ว่าเหมาะสมหรือไม่ เราเป็นคารวาแล้วก็อาจจะถามท่านเท่านั้นเองเพื่อให้ท่านมีจิตสํานึกว่าท่านเป็นพระแล้วแต่ท่านยังคิดว่าท่านยังไม่ได้เป็นพระทางใจท่านเป็นพระทางกายแต่จิตใจท่านยังเป็นคารวะอยู่และก็เป็นเรื่องของท่านแล้วก็ไม่บังคับท่านไม่ได้ตอนนี้ป่วยเวียนหัวมาหลายปีทํางานไม่ได้เลยไปหาหมอหมอก็ตรวจบอกว่าปกตินะครับ บอกท้อมากๆอย่างนี้ถือว่าเป็นโรคเว็โรคกรรมหรือเปล่าครับก็อาจจะเป็นโรคจิตนอาจจะมีความซึมเศร้ามีอาการเครียดมีอาการที่ไม่สามารถมีสติพอที่จะสามารถทําอะไรได้เป็นปกติก็ได้ลองฝึกสติให้เพิ่มมากขึ้นดูเราหมั่นเจริญพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันอยู่ตั้งแต่ตื่นจนหลับเรีนสติกับคืนมาแล้วจิตก็จะเริ่มกลับเป็นปกติสามารถทําอะไรได้เป็นปกติต่อไป คุณดำครับทําไมแพทย์ศาสตร์ถือว่าเป็นเดรัจฉาวิชาครับไม่รู้นะคำว่าเดรัจฉานวิชาหมายถึงวิชาทางโลกนะวิชาที่ไม่สามารถดุดพ้นจากความทุกข์ได้ความหมายนะครับตามที่เราเข้าใจเพราะฉะนั้นวิชาความโลกทางโลกทั้งหมดนี่เป็นเดรัจฉานวิชาทั้งนั้นคือไม่สามารถทําให้จิตดุดพ้นจากความทุกข์ได้เป็นวิชาที่สําหรับช่วยกําจัดความทุกข์ทางร่างกายได้อยู่เป็นหนอก็จะ รู้จักรักษาพยาบาลร่างกายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้ามีอาชีพ อ, อะไรก็สามารถทันอาชีพนั้นเพาเพื่อจะได้มีเงินทอนมาเลี้ยงดูร่างกายได้นี่วิชาชีพต่างๆนี้ในโลกนี้มีไว้สําหรับเลี้ยงดูร่างกายช่วยบรรเทาความทุกข์เดือดร้อยของร่างกายได้แต่ไม่สามารถบรรเทาความทุกข์เดืยดร้อนของใจได้ก็เลยเรียกว่าเป็นเดรลชานวิชา การแผ่เมตตากับการอุทิศส่วนกุศลต่างกันอย่างไรครับการอุทิศก็เหมือนเหมือนการส่งส่งของไปให้คนอีกคนหนึ่งไงเช่นวันนี้ใกล้ปีใหม่นะเนี่ยเราก็ใส่ส่งเสกรสอไปให้กับคนนั้นคนนี้อันนี้ก็เป็นการอุทิศบุญเราส่งบุญไหมให้กับคนที่ตายไปแล้วเพราะว่าเราส่งของไปไม่ได้ถ้าเป็นคนเราก็ไม่ส่งบุญไปเราส่งของแทน เช่นปีใหม่นี้เราอยากจะให้คนตายไปแล้วมีความสุขได้รับพรจากเราได้รับความสุขจากเราแล้วก็ทําบุญแล้วก็อุทิศไปเรียว่าส่งส่อข้ส่ไปให้กับคนตายด้วยการอุทิศบุญส่งความสุขไปส่วนความเมตตานี้หมายถึงการที่เรามีความปรารถนาให้คนอื่นก็มีความสุขซึ่งก็กลา จ, จะเป็นไปได้พร้อมๆกันในขณะที่เราอุทิศบุญเพราะถ้าเราอุทิศบุญนี่ก็แสดง ว, ว่าเราอยากจะให้เขามีความสุขนะ แสดงว่าเรามีความเมตตาความเมตตานี้ทำให้เราไปทำบุญแลอุทิศบุญให้กับเขาในถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เราก็ส่งสอข้อสอหรือส่งของขวัญไปให้เขาก็เป็นเรื่องของความเมตตาเหมือนกันแต่ความเมตตามันกว้างกว่าการอุทิศบุญการให้ความสุขเพราะว่ามันมีอีกสามลักษณะของความมีความเมตตานอกจากความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขแล้ว การไม่จองเวรจองกรรมก็เป็นความเมตตาให้อภัยกันเวลามีเรื่องมีราวกันก็ขอโทษขอโพยกันแล้วก็เลิกลาไปไม่จองเวรจองกรรมกันอันนี้ก็เรียกว่าความเมตตาอย่างหนึ่งหรือการไม่เบียดเบนกันเราทําอะไรอย่าไปทําให้คนอื่นก็เสียหายเดือดร้อนอันนี้ก็เป็นความเมตตาอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งของความเมตตาคือเราไม่ไปทําร้ายร่างกายและจิตใจของใคร อย่าไปทำอะไรที่ทําทํำให้ร่างกายของคนเขาเจ็บเนื้อเจ็บตัวแล้วทําให้เขาเจ็บใจอย่าทําถ้าเราเป็นคนมีความเมตตาเพราะเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเขาข้อที่หนึ่งครับเวลาถ้ามีคนมาบอกว่าเราบรรลุธรรมบุคคลแล้วเราจะตอบอย่างไรผมตอบภาษาทุครับ เขาบรรลุธรรมเนี่ยก็เรื่องของเขาถ้าเขาบรรลุก็สาธุไปก็ได้จบเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเนี้ยนะเขาพูดกขาป่อยเขาพูดไปแต่ถ้าเขาจะเอาความบรรลุธรรมนี่มาเลี่ยไรเงินจากเราเราก็อย่าไปให้เขาก็แล้วกันมาถูกหลอกได้ถ้าบรรลุเราไม่น่าเลี่ยไรยแล้วใช่ไหมครับถ้าราไม่ถ้าเราไม่ ข้อที่สองครับแม่เป็นคนที่อารมณ์แรงเฉพาะกับผมแต่กับคนอื่นดีมากจะเริ่มปรับปรุงกันอย่างไรครับเราต้องยอมรับ ว, ว่าแม่กับเราอาจจะเป็นคู่เวนคู่กรรมกันมาก็ได้เจ่ากรรมนายเวนกันมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับ ว, ว่าดีแล้วที่แม่เปลี่ยงแต่พูดจากเราไม่ดีถ้ายังไม่ทำร้ายเราก็ยังถือว่ายังดีอยู่ก็พย า, ายามทาใจยอมรับกับ กรรมของเราเวรกรรมของเราก็แล้วกันว่าชาติก่อนเราผมไปทําร้ายแม่งมาก่อนทําให้แม่เกียดเราในชาตินี้ก็ได้ทําบุญเพื่อล้างบาปล้างกันได้ไหมครับแต่การทําบาปนะั้นการทําโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้จะมีผลอะไรไหมครับบุญ บ, บาปนี่บุญไม่น้่งบาปไม่ได้แร้วเพียงแต่ว่าบุญอาจารย์แข่งกับบาปได้อยคือเวลาคนตายไปเนี่ย มันจะไปสวรรค์หรือไปนรกนี่นอยู่ที่ว่าบุญหรือบาปมีกําลังมากกว่ากันถ้าบุญมีกําลังมากกว่ากันบุญจะสามารถดึงดวงวิญญาณไปรับผลบุญก่อนจนกว่า บ, บุญหมดแล้วบาปมากกว่าบาปถึงจะดึงดวงวิญญาณให้ไปไปรับผลบาปต่อไปนี่คือเรื่องของบุญกับบาปแห่แม้เราจะเคยทําบาปมากถ้าเราพยายามทําบุญให้มันมากกว่าบาปเราก็ไม่ต้องไปอบายตอนที่เราตาย อย่างอมคลิมาก่าคนถึง999คนแต่สามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกอก็เลยไม่ต้องไปรับผลกรรมในบายบุญช่วยได้แบบนี้แต่ไม่ล้างบาปเก่าไม่ได้ถ้ายังกรรมมาเกิดอยู่ก็อาจจะต้องมาเจอกับเจ้ากรรมในเวรหรือว่าถ้าตายไปถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญก็ยังต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานมากเป็นเปรดบ้างไปตกนรกบ้างอันนี้ บาปนี้เรารั่นไม่ได้เียงแต่ว่าเราอาจจ ะ, ะ, ะเขาเรียวกว่าแขวนให้มันช้าไม่ให้มันแสดงผลก่อนบุญถ้าเราทําบุญให้มากกว่า บ, บาปกินเบียร์ตอนเย็นวันละขวดสองขวดตกนรกไหมครับแต่วันทั้งวันไม่คิดอกุศลเลยพยายามคิดดีทําดีครับไม่หรอกมันก็ไม่ได้ไปทําบาปเลยกินเบียร์แล้วก็ไป น, น่อยก็ไม่เป็น ก็ถือว่าเป็นกินยานอนหลับไปนะเพียงใมันจะติดติดป็นนิสัยเราถ้าไม่ได้กินล้วจะนอนไม่หลับถ้าเกิดไปอยู่ที่ไหนที่ไม่ไม่มีเบีย์กินกอาจจะไม่ได้นอนก็จะนอนไม่หลับมีโอกาสขาดสติได้ง่ายขึ้นด้วยใช่ไหมครับอาจารย์มีเพียงนะถ้าถ้าเรากินแล้วเข้านอนเลยมันก็มันก็หลับเลย <c oughs> เป็นนอนนอนหลับแต่ถ้าเรากินแล้วไปขับรถนี่ไม่ควรนะ กินแล้วขับรถอาจจะอาจาจะเกิดมีอาการมึนเมาเล็กน้อยแต่เราคิดว่าเราไม่เมาแต่มันสติมันอาจจะไม่ทันกับเหตุการณ์ฉุกเฉินก็ได้ขณะเดินออกกำลังกายสามารถที่จะเปิดบทสวดมนต์ฟังไปด้วยได้ไหมครับได้แต่ไม่ควรถ้าจะฟังทคมคนอยู่ในอยู่ในท่านั่งเฉยๆจะได้ประโยชน์มากกว่า เพระขนาที่เดินเราก็ต้องมีสติอยู่อยู่กับการเดินด้วยเราต้องดูทางที่เราเดินด้วยว่าเราจะเดินไปชนคนน ko so <c oughs> ั้นคนนี้หรือเปล่าใจเราก็จะไม่จดจ่ออยู่กับทาเพียงอย่างเดียวถ้าเราอยู่กับทำเพียงอย่างเดียวเดี๋ยวเราก็อาจจะเดินไปชนคนนั้นชนคนนี้ได้เพราะฉะนั้นไม่ควรถ้าจะเดินก็ใช้สติอย่างเดียวีก็ให้มีสติอยู่การเดินถ้าจะฟังธรรมก็ยืนเฉยๆหรือนั่งเฉยๆแล่ค่อยฟัง นั่งสมาธิยังไงให้จิตรวมครับต้องมีสตินั่งด้วยสติถ้าไม่มีสติจิตก็ฟุ้งมาจิตก็จะไม่รวมดังั้นก่อนจะนั่งต้องมีสติพร้อมก่อนถ้าจิตยังสติยังไ ม, ไม่ไม่พอที่จะหยุดความคิดได้จิตก็จะไม่รวมนั่งฝึกจิตฝึกให้มีสติอยู่ความคิดให้ได้ก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิเรารู้แล้วว่าเราไม่มีแต่ยังมีสัญญาเวทนาปรุงแต่งอยู่ เราไม่ยึดมันเป็นของมันเช่นนั้นใช้ได้ไหมครับได้ถ้าเราไม่ทําตามเวทานาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณปล่อยให้มันเกิดดับของมันเองเราไม่ไปทําตามมันเช่นสังขารสั่งให้เราไปว่าคนนี้คนคนี้แล้วก็เรา่าไม่ใช่เราเป็นแค่เป็นความคิดเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรก็ได้ถ้าเราสามารถอยู่เฉยๆได้โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณ ก็ถือว่าเราปล่อยวางได้โน้ทันกรรมฐานกับปริวาสกรรมต่างกันไหมครับและมีค่าใช้ใจ่ายหรือเปล่าครับสำหรับพระและคลราวะาครับคือคำว่าปริวาสกรรมนี่มันเป็นเป็นเรื่องของการไปติดคุกของพระที่ทาทาผิดอาบาัติร้ายแรงที่มีสังขารที่เศษสิบสามข้อที่ทำแล้ว จะต้องไปไปแก้กรรมไปติดคุกต้องไปเหมือนกักขังตัวเองไปอยู่ไม่ให้อยู่กับส่วนรวไมไปติดคุกนั่นไม่ใช่เป็นการไปปฏิบัติธรรมแต่เขามากักจะคิดว่าเป็นการไปปฏิบัติธรรมเมื่อต้องไปไปติดคุกก็เลยทำอะไรไม่ได้ก็เลยต้องปฏิบัติธรรมแต่ความจริงนั้นสำหรับคบพระที่ทําอบัติที่ที่ที่ร้ายแรงรองจากปาราชิกถ้าปาราชิกสี่นี้ขาดจากความเป็นพระ ถ้าเป็นสังขารที่เศษสิบสามข้อนี้ยังสามารถยังสามารถแก้ได้แต่ต้องไปใช้กรรมใช้กรรมวันที่วาสกรรมก็คือการไปใช้กรรมไปกักขั้งตัวเองไปทําตัวเองให้เป็นเหมือนกับภาพบวชใหม่ีภาพมนพรรษากี่รรษาก็ต้องต้องสลับรรษานั้นไว้ชั่วคราวแล้วเทวะเป็นตัวเองเป็นเป็นภาพบวชใหม่แล้วทุกวันจะต้องมาประกาศกับสงฆ์ว่าได้ ได้กระทาบาปข้อไหนบ้างทําผิดข้อไหนบ้างในการประจานตัวเองให้อับอายขายหน้านี่คือการปไปอยู่ปริวาสกรรมของพระอืแต่สมัยนี้เขาเอาปริวาสกรรมมาเป็นเหมือนกับว่าเป็นการชวนเชิญให้พระคนที่อยากจะปฏิบัติทําไปปฏิบัติพร้อมๆกันศุลกามฐานก็คืออารมณ์ที่เราใช้ในการเจริญสติ ถ้าเราอยากจะมีสติเราต้องมีกรรมฐานเป็นผู้พักผู้ผลักดันให้เกิดสติขึ้นมาเช่นพุทธานุสตินี่ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งการเราองถึงพระพุทธเจ้าการดูลมหายใจเขาออกเขาเรียกว่าอาณาปนสติก็เป็นกรรมฐานอีกอย่างหนึ่ง น, นี่ก็กรรมฐานอารมณ์ที่เราต้องมีถ้าเราอยารับอยากจะมีสติถ้าเราไม่มีกรรมฐานถูกใจไว้ใจก็จะลอยไปกับความคิดต่างๆใจก็จะไม่มีสติ การเว้นทานเนื้อสัตว์ใหญ่แต่เฉพาะวันเกิดกับวันพระกับงดไม่ทานเลยอันไหนจะได้บุญมากกว่ากันครับไม่ได้ทั้งสองอันเนี่ยมันบุญไม่ได้เกิดจากการกินเกิดบุญเกิดจากการละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วมีของตายมาขายในท้องตลาดเราซื้อมากินเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ได้บุญไม่ได้บาปเพราะมันเป็นแค่อาหารทำอะไรเป็นเรื่องของการกิน จะไปใส่บาทพระอาจารย์ครับต้องไปกี่โมงแล้วใส่ได้ทุกวันไหมครับช่วงนี้ก็เริ่มต้นประมาณหกโมงเสร็จเสร็จหกโมงตรงที่ซอยนาจอมเทียนสามสิบเชื่อเสือดูในกลุ่มก็ได้ซอยนาจอมเทียนสามสิบเริ่มต้นที่ปากซอยแล้วก็เดินใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนั้นถ้าเรามาหลังหกโมงพระเดินไปแล้วเราก็สามารถขับรถตามไปได้เราไปดักใส่ทางด้านข้างหน้าได้จนกว่าจะถึงเวลาประมาณเจ็ดโมงกว่า มื่อเช้านี้ดูนาฬิกาเสร็จจากบินตาบาทขึ้นรถก็ประมาณเจ็ดโมงยี่สิบไปลนันก็ชั่วโมงกว่าเลยใช้เวลาบินตาบาทว่ามันเป็นวันอาทิตย์พอดีเริ่มต้นที่ซอยนาจอมที่สามสิบนบ้านอำเภอหมู่บ้านชื่อบ้านอำเภอรตรงข้ามกับวิทยาลัยเกษตรกรรมปากซอยมีร้านบิกซีอยู่ด้านหนึ่งมีร้านเซเว่นอยู่อีกด้านหนึ่งคู่ขนานกัน บอกอย่างนี้คนจะเข้าใจคนจะชัดเจนนะแต่ตถนนเสร็จถ้าอาจจะต้องยูเทินเพราะว่ามันมีมีสะพานมีมีสะพ า, านข้ามข้ามแยกอยู่ตรงหน้าพอดีบางทถ้าขับมาจากจากกรุงเทพนี่จะต้องต้องต้องเลี้ยวขวาหยูดเทินใต้สะพานเข้ามาเข้ามาทางซอยอที่หนึง่งต้องคอยดูที่ยูเทินสาหรับกับรถเลี้ยวขวากลับเข้ามา วิ่งวิ่งสวนกลับขึ้นมาทางกรุงเทพแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าเข้าซอยไปเมื่อถึงปากซอยสามสิบเดี๋ยววันที่สามสิบขออากาสไปตามพระอาจารย์บินดาบานะครับอะจะไปสงทนดีเก่าเลยครับผมเดี๋ยวกอากาศครับอาจารย์ครับพอาจารย์ครับเขาบอกเคยถูกหวยหนึ่งครั้งแล้วก็เลยอยากจะซื้ออีกอันนี้เราเรียกว่าหลงและโลภไหมครับใช่ เป็นความโลภเนี่ยพอได้แล้วก็อยากจะได้อีกนล้วทำไปทํามาเดี๋ยวก็ขาดทุนขาดทุนก็อยากจะได้คืนก็เล่นอีกก็แทงอีกเนี่ยฤทธิกรรมการพนันมันยังดูเราเข้าไปเรื่อยๆดังนั้นที่เสือก้าจะหมดเนื้อหมดตัวเลยพอแพ้ก็อยากจะได้คืนขาดทุนก็อยากจะได้คืนก็แทงมากขึ้นซื้อมากขึ้นพอซื้อมากขึ้นก็ยิ่งขาดทุนใหญ่ดังนั้นที่เสือก้าก็หมดตัว ถ้ไม่ยุดวิธีแก้อาการเพ่งจ้องเวลาเดินจงกรมต้องใช้อุบายอย่างไรครับไม่ทราบการเพ่งจ้องก็ดีอยู่แล้วเนี่ยให้เพ่งจ้องดูที่เท้าดูที่เท้าที่อก้าวซ้ายขวาซ้ายขวาไปพอนั่งสมาธิไปสักพักแล้วพุทโธหายแล้วลมหายใจหายแล้วควรทำอะไรต่อครับ ถ้ายังไม่สงบก็ต้องพูดเดินพุทโธกลับมาใหม่ถ้าลมหายก็ไม่ทาเป็นเดิงมันกลับมาให้รู้ว่ามันหายมันอาจจะละเอียดแล้วเราไม่สามารถรับรู้มันได้เท่านึ ง, งแต่มันไม่หายหรอกมันยังมีอยู่ถ้าเราถ้าเราดูลมก็ดูอยู่ที่จุดเดิมอยู่ที่จุดที่ปลายจมูกแต่มันจะรู้สึกว่าลมหายก็อยากย้าย้ยายยายที่ดูดูที่เดิมอยู่ ดูที่ปลายจมูกดูว่าตอนนี้ไม่มีลองเข้าออกแล้วก็ดูอยู่ที่จุดนั้นแล้วก็อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอะไรทั้งสิ้นความทุกข์ที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งเราจะแก้ไขอย่างไรดีครับก็หยุดคิดสิเวลาคิดแล้วมันทุกข์ก็ใช้พุทโธพุทโธหยุดมันสวดมนต์ก็ได้พอเราสวดมนต์ไปความคิดที่ทําให้เราทุกข์มันก็หยุดคิด ความทุกข์ก็จะหายไปกิเลสเอาเหยื่อไปล่อมันเกิดขึ้นอัตโนมัติอยากรู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นใช่ไหมครับกใกล้เลือกว่ามันเป็นเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเนะีถ้าเราไปคบเหยื่อก็เดี๋ยวถูกเบีเกี่ยวเกี่ยวปาคือความทุกข์มันจะตามมากิเลสเอาเอาของมาล่อเราว่าดีนะอย่างนั้นอย่างนี้เนะพอเราไปเอามันเข้ามาปั๊บเดี๋ยวของที่เราได้มามัน มันเสื่อมไปหมดไปเนื้อมันหายไปเพราะมันเป็นอนิจจังมันก็จะทําให้เราทุกข์ได้เห็ไม่ว่ากิเลสมันจะอะไรมาล่อเราเราต้องบอกว่ามันทุกข์นะมันเป็นอนิจจทุกขังอนาจตายนะเช่นเข้าตำแหล่งสาวัมาล่อคุณหมอเนี่ยคุณหมอถ้าจะพูดก็ต้องเปปัญญาพูดแบบฉลาดเนี่ะไม่ว่าถึงเวลาต้องปล่อยก็ต้องปล่อยนะแต่ถ้าพูดแล้วแบบไม่ยอมปล่อยในเวลาทุกเวลามันหมดนี่บ่นวาล้่นมันก็จะทําให้เสียใจได้นะ ผมโชคดีครับได้พระอาจารย์เมตตาทุกสัปดาห์ครับยังยังยังดึงไว้ครับใช่ครับคอยดึงไว้นอย่าลือย่าลืมนะว่ามันเป็นของชั่วกาวมันไม่เที่ยมมันจะต้องมีวันสิ้นสุดเราจะต้องมีการพลาดพลากจากกันเป็นธรรมดาสวอกับเราก็ต้องจากกันวันใดวันหนึ่งถ้าเรารู้ทันแล้วเราก็จะไม่ทุกเวลาต้องจากกันครับน่าจะไม่อยากจะกลับมาอกว่านหนึ่งก็ได้ ก็จะไม่ได้นอนหาเองแต่ถ้าก็เชิญมาก็อาจจะกลับมาก็ได้ถ้าเราคิดว่ายัางว่าทำประโยชน์ได้อยู่ก็ไม่เป็นไรพี่ปูเป้เขาบอกว่าฟังพระอาจารย์แล้วเหมือนได้อาหารใจครับต้องฟังตลอดครับเบื่อนหน่ายความผูกพันการเกาะเกี่ยวระหว่างผู้คนเราจะตัดผู้คนออกจากชีวิตได้ไหมครับจะบาปไหมเป็นพี่น้องกันครับ เราไม่ต้องไปตัดละ เ, เพียงแต่เราอย่าเราเราอย่าไปยุ่งกับเขาท่านหน่งไปเขาทําอะไรของเขาไปตามเรื่องของเขาเขาพูดวลาแล้วก็ฟังไปเฉยๆไปไม่ต้องไปมีอารมณ์กับเขาเขาจะแสดงอะไรก็ปล่อยเขาแสดงไปแล้วทําเป็นเหมือนคนดูหนังไปก็แล้วกันคิดว่าเขาเป็นตัวละครอันกามีญาติ่างคนหนึ่งก็บอกว่าเขาคิดมาตั้งนานเรื่องตายรักนี่มันเป็นยังไงในที่สุดเขาก็ได้ข้อสรุปเรื่องนัดตามว่ามันเป็นโรงละครนั่นเองมันไม่ใช่เป็นอะไรหรอก โรงนี้มันเป็นโรงละครมันเล่นละครกันเดี๋ยวแล้วก็จบเดี๋ยวก็ตายจากกันไปละครก็จบไปแต่เราลงที่ว่าเป็นของจริงกันจริงเอาจริงเอาจ้างกันจะเป็นจะตายกันแต่เพราะว่าเราจบมีแะไรที่เราเล่นในโรงละครเราติดตัวไปกับเราได้ไม่ได้เลยใช่ไหมครับมันนเราไปเล่นละครเขาจ้างเราไปเล่นละครเขาก็ให้รถเรามาใช้แล้วให้บ้านเราอยู่มีเสื้อผ้าเราใส่แต่พอเราเลิกเล่นละครของเราเนี้เราต้องคืนก็หมดเลย ครับเนี่ยโยมคนนี้เขาเขาเพิ่เข้าใจว่าอนัตตาเป็นยังไงอนัตตาก็เป็นเหนมือน ล, ละคร น, นี่เองครับ <C. N _> e> เราเป็นน้องมันเป็นจริเป็นจังครับผมถูกครับเนีนยคนนี้ก็สแสดงแล้วก็ปล่อยก็สแสดงไปเขามีบทของเขาเรื่องแสดงแบบนั้นบางคนก็แสดงบทดีบางคนก็สแบบดกสดง บ, บทได้ก็ปล่อยก็สแสดงไปเราเรารู้ทันแล้วก็อย่าไปสแสดงเราเป็นคนดูเฉยๆดีกว่าไม่เหนื่อยทําบู้รู้สักแต่ว่ารู้ไง เป็นคนดูเฉยๆดูทันแล้วว่าสินทุกอย่างที่ปรากฏในโลกนี้เป็นเป็นโมกระดอนเนี่ยเราเปลี่ยนจากตัวเล่นละครมาเป็นตัวคนดูดีกว่าสบายใจกว่าดูเฉยๆไปแค่จะได้ก็ปล่อยก็ได้ไปค่จะเสียก็ปล่อยก็เสียไปเป็นเรื่องของเขาเราเป็นคนดูแล้วก็ดูไปเรื่อยๆดูหนังไปเรื่อยๆจนกว่าหนังจะจบเราจะตายก็จบไปครับ เช็กเสี่ยเขายังบอกว่าโรงนี้เป็นโรงลครโงใหญ่เนี่ยก็ยอนไหก็ได้ยินไหครัพูดเี่ของเช็กเสี่ยเขาว่าครับฝรั่งเขาก็ยังเข้าใจนะครับอาจารย์ขเข้าใจเขาเป็นนักปาราชญ์นะฝรั่งบางคนนี่ก็เป็นนักปราชญ์เพียงแต่เขายังไม่รู้จักทางออกจากโกรงลครนี้ว่าออกอย่างไรแค่นี้เขารู้เป็นโรงลครแต่เขาก็ยังออกเล่นไม่ได้ยังไม่รู้จักหยุดหยุดไม่เป็นต้องมาฝึกสติฝึกสมาธิ พอได้สมาธิได้โอเบคาแล้วก็หยุดได้แล้วนี่วางเฉยได้แล้วดูเฉยเฉได้แล้วสักแต่ว่ารู้ได้มีกรรมกับพี่สาวครับพูดดีๆกับแกแต่อารมณ์พี่สาวไม่ปกติเลยครับก็ปล่อยแล้วไปเป็นอย่างที่ตอบเมื่อกี้เป็นการเล่นละครของเขาไปเขามีบทเล่นอย่างนี้ก็ปล่อยเขาเล่นไปเราเป็นผู้ดูก็ดูไปเฉยๆอย่างเราเราอย่าไปเป็นผู้เล่นไปกับเขาอย่าไปตอบโต้ เดี๋ยวนปมีเวณีกรรมเาปล่อยเขาพูดไปแสดงไปเพิ่งได้สมุดเบาใจมาครับและมีคนส่งล e ิงก์ e living view มาพร้อมๆกันพอดีจะสอบถามว่าการแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับการรักษาผักวาราสุดท้ายเช่นเจาะคอเพื่อไม่ต้องอยื้อชีวิตทำได้ไม่ผิดไม่บาปในทางพุทธศาสนาใช่ไหมครับไม่บาปหรอถ้าเราไม่ต้องการจะรักษาตัวเอง เป็นภาพภาพกรรมฐานส่วนใหญ่ท่านก็จะไม่ไปโรงพยาบาลงันท่านก็จะอยู่ตามอัตภาพไปจนกว่ามันจะร่างการมันจะหมดตัวหมายใจเขา้าเพราะท่านเห็นว่าการรักษากับการเป็นเป็นการสร้างปัญหาขึ้นมามากกว่าการไม่รักษาสกรักษาก็ไม่หายแต่ต้องถูกก็เจาะคอเจาะนู่นเจาะนี่ตรวจอุณหภูมิทุกวันฉีดยาทุกวันเจาะเลือดเจาะอะไรไปตรวจโอ้ยวุ่นวาย จัดตัวมาเมันก็หนที่สุดมันก็ตายเหมือนกันถ้ากังวลยอมตายดีกว่ายอมให้มันตายตามตามอัตรภาพของมันแเราอย่าไปทําให้มันตายก็แล้วกั น, กนอย่าไปอย่าไปกั้นลมหายใจอย่าไปฉิดกินสารพิษหรืออะไรต่างๆเหล่านี้อย่าทําให้มันตายให้มันตายของมันเอง ถ้าเราไม่สวดมนต์แต่เบิดเปิดบทสวดมนต์ฟังนี่ถือว่าเราปฏิบัติธรรมไหมครับแล้วจะถูกวิธีในการปฏิบัติไหมครับก็เป็นวิธีเจริญสติอย่างหนึ่งเวลาเราฟังการบทสวดมนต์นี่มันก็ทําให้เราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้แต่ถ้าเราฟังไปคิดไปมันก็ไม่เป็นการปฏิบัตินถ้าจะปฏิบัติต้องไม่ไม่คิดนะต้องอยู่กับการฟังฟังบทสวดมนต์อย่างเดียวแล้วฟังธรรมอย่างเดียวใจก็จะสงบได้ เจอบททดสอบด้านร่างกายต้องถึงมือแพทย์แรกเจ็บปวดทรมานสุดท้ายนึกถึงคํา ส, สอนสอนฝั่งอันทรงคุณค่าร่างกายไม่ใช่เราเราไม่ใช่ร่างกายสุดท้ายคือผ่านมาได้ข อ, อ น, น้อมนําคําสอนดันเหมือนชีวิตครับอืมใช่คคนที่ผิดศีลห้าข้อที่สามแล้วเขามานําคนสวดที่วัดเช่นงานศพอย่างนี้เขาทําได้ไหมครับ ได้เป็นคนละเรื่องกันเรื่องผิดสินก็เปิดสินเรื่องนําส่วนก็เรืงของการนําส่วนสําหรับการรับตําหนิแรงๆทางวาจาในที่ทํางานโยมควรภาวนาอานาปานาสติหรือควรวางใจอย่างไรครับถ้าวางใจเฉยๆได้ก็ไม่ต้องทำอํำเลยถ้าวางใจไม่ได้ก็จะต้องใช้พุโทโธพุโทโธนะครับให้ใจนิ่งสงบไม่ให้ตอบโต้ ถ้าใช้ปัญญาได้ก็ให้พิจารณาว่าดีแล้วเขาเพียงแต่ตำหนิเราเขายังไม่ด่าเราเขายังไม่ทำร้ายเราถ้าระหว่างวันเราท่องบทสวดสั้นๆตลอดแล้วก็เพลินคิดอย่างอื่นพอนได้ก็ท่องบทสวดต่อจะมีผลยังไงครับต้องหยุดความคิดไม่ให้คิดให้อยู่กับบทสวดอย่างเดียวแล้วเป้าหมายของการสวดการเจริญสติก็เพื่อควบคุมความคิดเพราะความคิดทําให้จิตฟุ้งซ่านทําให้จิตทุกข์ ถ้าเราต้องการให้จิตมีความสงบมีความสุขเราต้องหยุดความคิดนี่คือเป้าหมายของการเจริญสติอันนี้อาจจะมีคนเข้าใจผิดนึงบอกว่าพระอาจารย์จะเปลี่ยนมาแสดงธรรมสามสิบนาทีนั่งสมาธิอีกสามสิบนาทีเมื่อไหร่ครับ อ, อ๋อยังเราก็เกิดไว้ก่อนไปวันดีคืนดีวันไหนอาจจะอาจจะไม่อยากจะพูดไม่รู้จะพูดอะไรก็อาจจ ะ, ะสลับมานั่งสมาธิกันต่อแทน แต่ยังไม่มีโครงการแน่นอนเมื่อไหร่เนาะน่าแต่แล้วแต่อารมณ์น่าแต่สภาพร่างกายบางทีร่างกายอาจจะเหนื่อยหรืออาจจะเดนี้อนยุญญมันก็เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแร ง, งมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆสังเกตดูครับผมจิตในขันห้ามีกี่ดวงครับจิตมีดวงเดียวจิตมีดวงเดียวแต่มีสี่อาการ มีเวทนามีความรู้สึกมีความคิดมีความจําได้หมายรู้แล้วมีมีการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่มาสัมผัสกับตาอูจมูกร่างกายไน้นี่คือคุณสมบัติของจิตหรือความสามารถของจิตนอกจากจากการเป็นผู้รู้ด้วยมีความรู้ด้วยมีความรู้สึกด้วยก็สรุปก็มีห้าอาการจริงๆจิตเนี่ยแต่สี่อาการนี่มันเกิดดับเกิดดับเวทนาสัญญาสังการยุนญาตมันเกิดดับเกิดดับ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่รู้นี่ไม่เปลี่ยนรู้ตลอดเวลารักษาสีห้าทำทานเป็นประจำปฏิบัติธรรมแต่ยังอยู่ทางโลกก็ยังต้องรักสวยรักงามเพื่อให้คนที่พบเจอเชื่อถือแต่ไม่ได้ยึดติดพอไม่ทำงานอยู่บ้านก็ถือสีนแปดจะบรรลุโสดาบันเหมือนนางวิสาขาได้ไหมครับก็ลองทำดูสิ ถ้าได้ก็ได้ทาไม่ได้ก็ไม่ได้มันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่เราปฏิบัติเองการจะบรรลุเป็นเป็นพระโสดาบาันนั่นนี่ก็อยู่ที่การที่เราไม่ยึดติดกับร่างกายเท่านั้นเองมองให็หน้าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นแค่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นตุกตาตัวหนึ่งที่เราได้รับมาจากพ่อแม่ให้มาใช้เป็นเครื่องมือทมาหากิกนเท่านั้นเองให้คิดอย่างนี้ ร่างกายจะเป็นจะตายก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของกร่างกายมันเป็นคนใช้เราเป็นคนใช้มันะเป็นเจ้าหน้ามันเราไม่ได้แก่เจ็บตายกับมันงั้นถ้าเราเระนับความกลัวกลัวได้กลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายได้ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัควค ว, ความตายได้ก็ถือว่าเราก็เป็นโสดาบันได้เวลาทําบุญแล้วน้ำตาไหลร้องไห้แบบนี้เรียกว่าอาการอะไรครับจะเป็นเฉพาะเวลาที่ทําบุญเท่านั้นนะครับ ก็เป็นปิตินั่เป็นจิตสำหรับเราบางทีบางเรื่องบางอย่างมันมีความมันคนกระทบต่อใจเรามากมันก็เกิดอาการปิติขึ้นมาได้สงสัยครับถ้าจิตเป็นสิ่งที่เกิดดับตลอดเวลาทําไมผีถึงมีรูปร่างได้รูปร่างวงกลมบ้างรูปร่างคนบ้างครับอย่างที่พวกเราจิตนั้นได้มีการเกิดดับสิ่งนี้เกิดดับมันเป็นอาการของจิตเช่นเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณ หรืออารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตนี้มันเกิดดับเกิดดับมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ตัวจิตเองไม่เปลี่ยนแล้วการที่มีรูปร่างนี้มันเรื่องของการเนรมิตของจิตแต่ละดวงเขาสามารถเนรมิตร่างกายของเขาในรูปร่างต่างๆได้เวลาที่เขาเวลาเขาเจอกันอย่างคุณแม่ฉี่แก้วแกเคยเล่า ว, ว่าแกเคยนั่งเข้าสมาธิแล้วมีดวงวิญญาณของวัวป่าเอา่าวัววัว หมู ป, ป่าตายไปแล้วก็มาม า, มาพบเธอแต่เข้ามาในรูปร่างของมนุษย์นั่งเป็นผู้ชาย <Okay. S 1> เธอบอกว่าอย่างนั้นแต่เขาบอกเขาเป็นหมู ป, ป่าที่ถูกนายพรานยิงตายไปพวกนี้นายพรานจะเอาเนื้อเนื้อ ห, ห, หมู ป, ป่าส่วนหนึ่งมาทําบุญกับแม่ชีขอให้แม่ชีปวดรับให้เขาด้วยเขาอยากจะขอบุญทิศร่างกายของหมู ป, ป่านี้ให้กับแม่ชีเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับเขาใ น, นเรื่องของกายทิศนี่เเรื่องของการในในมนุษย์เนี่ย เป็นแดนเดนิมิตแล้วก็จันเดนิมิตรูปด่างดีถ้าไม่ดีก็อยู่ที่บุญที่บาปเรามีไว้ในใจของเราถ้าเรามีบุญเราก็จะเดนิมิตร่างกายที่สวยงามได้แต่ถ้าเรามีบาปเราก็จะได้เดนิมิตร่างกายที่ไม่สวยงามอาชีพขายหวยใต้ดินผิดศีลไหมครับถ้าผิดกฎหมายมันก็ผิดศีลเนี่ยคนมันก็หาว่าเป็นการลักลอบ ทำอาชีพที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็อย่าไปทําถ้าทําผิดแล้วเดี๋ยวถูกจับก็ติดคุกติดตารางได้ยังก็ต้องใช้ใช้การซื้อเจ้าหน้าที่ก็เป็นการทารําบาปทําผิดกฎหมายอย่างซื้อหวยใต้ของนอตธรรมารนี่กไ็ไม่ผิดนซื้อก็ตเตอรี่ไม่ผิดแต่หวยใต้ดินมันผิด การที่เรากลับมาเกิดใหม่อาจไปเกิดในต่างโลกต่างดาวที่เหมาะสมตามบุญตามกรรมที่เราทําไว้ใช่ไหมครับใช่ชาติก่เราจะอยู่ในดาวนหนึ่งก็ได้ชาติทีเรามาเกิดในที่ดาวนี้ก็ได้ระหว่างวันสวดมนเพื่อให้ตัวเองหยุดคิดอกุศลได้ไหมครับได้สวดไปเรื่อยๆสวดทั้งวันได้ยิ่งดีไม่ให้คิดเลยเบื่อตอนนี้เราต้องหยุดคิดหมดไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศล ว่าเราหยุดคิดได้แล้วต่อไปเราก็สั่งให้มัคิดแต่ในเรื่องที่เป็นกุศลได้เรื่องที่มีกุศลแล้วก็หยุดกันได้ถ้าต้องทำงานเพื่อเงินจะทำให้ไม่เป็นความโลภได้ยังไงครับแล้วแรงบันดาลใจในการงานกับความอยากเป็นตัวเดียวกันไหมครับก็เราทำเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเน่ยก็เอาหลักของเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่เกาท่านสอน ไห้หาปัจจัยสี่มาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้พอได้พอเพียงก็ก็พอเพียงถ้าได้มากกว่านั้นก็เอาไปทําบุญทําทานก็ได้อันนี้เป็นการเป็นการปรามความโลภถ้าเราไม่ปรามไว้เดี๋ยวมันได้มากขึ้นมันก็อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆดังนเรามีป้าหมาอยู่ที่การทำอาหากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องถ้าได้มากกว่านั้นก็เสียสละไปเอาไปบริจาคอย่างพระนี่ท่านก็สอนให้สะสมอาหาร อารที่ได้บรรณาบมาก็ให้เอาเท่าที่ต้องการสลหรับวันนั้นถ้าได้หารมากไปกว่า น, นั้นก็ให้เอาไปบริจาคเอาไปทำบุญทำทานไปอย่างนี้ก็จะควบคุมความง่งได้คาถามว่าที่วัดพระอาจารย์อยู่มีปฏิบัติธรรมช่วงปีใหม่ไหมครับหมายถึงถ้าคารวาจะไปปฏิบัติธรรมช่วงวันหยุดครับพมีมีตลาดเนีเขามีอยู่ที่พักเป็นหอพักสาหรับผู้หญิงอยู่ อยู่ไดประมาสักยี่สิบสี่สิไม่ได้ยืนสองอภารพด้วยกันบางคนก็มาถือศิลปแปแล้วก็มีกิจกรรวัตรคือวงบูชเช้าเย็นไหว้พระส ม, มนุนนั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระรูปอื่นเนะเราไม่ได้ไปแสดงธรรมแต่ก็มีเจ้า ว, วาดมีผู้ช่วยเจ้า ว, วาดเขาผัดกันลงมาแสดงธรรมให้ฟังกันก็มีกิจกรรมไหว้พระส ม, มนุนนั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมเช้าเย็นแล้วก็ตอนสายก็มาใส่บาต กับพระที่ศาลาและประธานอาหาร่วม ก, กันที่ศาลาอยู่ได้ครั้งละเจ็ดวันไม่เกินเจ็ดวันแล้วต้องอย่างน้อยต้องสามวันเพราะเขาไม่ต้องการให้คนใช้เป็นที่พักพักแรงมาอยู่คืนแบบนี้เขาไม่ให้อยู่เพราะกลัวจะเดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วมาขอแวะนอนวัดคืนอย่างนี้เขาจะไม่เอาเพราะต้องการให้มราอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมเขาเลยกําหนดว่าอย่างน้อยต้องสามวันขึ้นไป คำถามต่อเลยครับเขาบอกว่าอยากจะไปกราบพระอาจารย์ที่วัดได้ไหมครับได้ก็วันเสาร์อาทิตย์ก็มาช่วงบ่าย2องโมงเนะี่ยจะมีการแสดงธรรมตอนบ่าย2องโมงที่หน้ากุศิแสดงถึงสามโมงแล้วหล่ะอางนั้นก็มีการถวายข้าวขอ ง, งตา่างๆเสร็จแล้วก็มีการถามตอบคาถามมีคําถามอะไรก็สามารถถามได้นี่ก็เป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์ตอนช่วงบ่ายวันพระก็เช่นเดียวกันวันยืราชการวันยืนนักขธรรมก็เหมือนกัน ส่วนในช่วงนึงที่พบได้ทุกวันก็คือตอนเช้าที่บินฑบาัที่ที่บ้านอำเภอปากซอยนาจอมเทียนสามสิบริ่มต้น เ, เดินไปตลอดทางวัดชัลยะอล า, ารประมาณชั่วโมงหนึ่งก็สามารถพบปะในช่วงนั้นได้มีเวลาอยากจะถวายก็ถวายได้อยากจะถวายภาพไปถวายสังฆทานหรืออะไรก็ถวายได้ในขณ ะ, ะที่บินฑบาัดพอมีลูกศิ์มาคอยรับของแตกต่างไปให้นี่ก็เป็นเวลาที่พบปะได้ทุกวัน ในช่วงเช้าแลช่วงเช้าหลังจากบินถมาตถ้าเป็นวันธรรมดาไม่ใช่เป็นวันเสาร์อาทิตย์วันพระก็จะฉันที่ศาลาก็สามารถมาพบได้ประมาณเวลาเก้ามงเช้าที่ศาราวันธรรมดานะไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์วันพระวันอยู่าช ก, การประมาณ9ก้าโมงถ้าอยากจะมาใส่บาตก็ต้องมาก่อนมาประมาณเจ็ดมงคึ่งก็จะได้ใส่บาต ท, ที่ศาลาพอจะกลับมาจากบินถมาตถึงสาลาก็ประมาณเจ็ดมงคึ่งโดยประมาณ ถ้าเวลาไหนก็อย่ามาขอความค่นอนงานเจ้าะจะไม่ได้รับวันต้องขอพักมากครับเมื่อได้รับฟังคําพูดเสียดสีทําร้ายจิตใ จ, จควรจะใช้ธรรมะข้อไหนเพื่อให้สงบจิตใ จ, จไม่เกิดอารมณ์ได้บ้างครับก็คิดว่าเขาแม่เขาไม่ทํำร้ายเราก็ดีแล้วเขาไม่ตีเราก็ดีแล้วเขาเพียงแต่พูดพูดเสียสดสีนั่นเองที่ว่ามาันาจจะเลวร้ายกว่า น, นี้ก็ได้ เขาไม่ตีเราก็ไม่ฆ่าเราก็ถือว่าดีแล้วเริ่มอขออภัยครับการทานเจกับไม่ทานเจได้อานิสงส์ต่างกันอย่างไรไหมครับไม่ไม่ต่างกันเลยเรื่องของการกินกินอะไรก็ได้ถ้าเป็นของที่ตายแล้วที่เราไม่ได้ฆ่าเองเราอย่าไปฆ่าเองก็กงแล้วกันถ้าคนอื่นฆ่าแล้วเขาเอาเนื้อมาขายหรือเข้ามาให้เราเรารับไม่ได้จริง บางคนไปตกปลามาได้ปลามาหลายตัวก็เลยฆ่าแล้วก็ทําเป็นปลาแห้งแล้วก็ปลาตากแห้งแล้วก็มาให้เราแล้วก็รับไปได้อามากินได้เราไม่เลยคนฆ่าเราไม่เป็นปัญหาเลยการกินไม่ได้เป็นปัญหาการฆ่าต่างหากที่เป็นปัญหาฉนั้นอย่าฆ่าสัตว์ตทีวิตเพื่อนนามาเป็นอาหารโดยเด็ดขาดแต่ถ้าเป็นของตายแล้วเราเามาทําเป็นอาหารได้อยู่ มีเพื่อนยืมเงินไปเป็นจํานวนมากเพื่อนําไปรักษาตัวพอถึงกําหนดนักคืนไม่สามารถคืนได้และไม่สามารถติดต่อได้ทําให้ไม่มีเงินพอใช้อารมณ์แรกเกิดคือไม่พอใจแต่ก็ทําจิตใจใ ห, ให้เป็นปกติโดยคิดว่าเมื่อก่อนเราก็ไม่มีเงินก้อนนี้หากอยู่กับปราวันหนึ่งก็ใช้หมดอยู่ดีก็เลยทําจิตใจให้เป็นปกติไม่ไปนึกถึงเรื่องเงินนี้อีกทําอย่างนี้ปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ครับจะขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ครับถูกต้องแล้วแหะท่าใจเราไม่ทุกข์ก็ถือว่าถูกต้องแล้ การเราเป็นปกติไม่เดือนร้อนมีหลายวิธีด้วยกันอนาจะคิดว่าเราเคยยืมเงินเขามาก่อนเราไม่เราไม่ใช้เงินเขาชาตินี้เขาก็เลยมาขอคืนก็ได้นับ แ, แต่วิธีการมองขอให้มองและทําให้ใจเราไม่ทุกข์กับมันก็ถือว่าใช้ได้บางคนก็คิดว่าถ้ามันเป็นของเราไม่ต้องอยู่กับเราถ้ามันไม่อยู่กับเรากแสดงว่ามันไม่ใช่เป็นของเราก็ได้ เริ่มนั่งสมาธิก่อนนอนแล้วจิตนิ่งขึ้นมีความสบายใจแต่บางคืนฝันไม่ดีเกี่ยวกันไหมครับไม่เกี่ยวกันครับการฝันนี้กิดจากการทําบาปฝันไม่ดีกิดจากการทําบาปฝันดีเกิดจากการทําบุญทําความดีเมื่อเรานั่งสมาธิรวมลงเร็วใช้การดูลมปลายจมูกจนลมหมดสงบแล้วไม่อยากสงบไปกว่านี้ เมื่อลืมตามาสดชื่นก็ไม่ต้องนั่งนานๆใช่ไหมครับเลยไปเพ่งกสินตอนนี้เพ่งแล้วภาพติดตาคงที่แล้วก็สงบเพาโฟกัสสิ่งเดียวถูกต้องไหมครับคือเราต้องการให้มันสงบอย่างเต็มที่เต็มลอยเลยให้มันทุกอย่างหายไปหมดเหลือแต่ตัวจิตล้วนๆเราจะได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วเราจะได้มีพลังจิตคือสามารถวางเฉยได้เวลาออกจากสมาธิแบบนี้แล้วเราจะเฉยกับอารมณ์ต่างๆได้ ใช้กับสิ่งที่มากระทบกับเราได้ปฏิบัตินั่งสมาธิบริกรรมพุทโธจิตรวมเป็นอารมณ์นิ่งอารมณ์เดียวมีอาการขนลุกขนพองคืออะไรครับก็เป็นผลที่การจากการปฏิบัติบางครั้งก็จะมีปิติขึ้นมาบางทีก็น้ําตาไหลาบางทีก็ขนลุกขนพองเป็นความรู้สึกที่มันมาสะใจใจก็ละว่าได้ ก็เป็นปกติแต่บางครั้งอาจจะเกิดบางครั้งก็ จ, จะไม่เกิดก็ได้จิตบางครั้งสงบแล้วมันก็ไม่มีอาการปิติก็ได้ดั้นอย่าไปหวังให้มันเป็นปรติทุกครั้งไปเวลาที่เรานั่งสมาธิาแล้วกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งจากการนั่งสมาธิถ้าสําเร็จก็คือความสงบนิ่งความสุขใจแล้วก็อุเบกขาวิจัยวางเฉยกับอารมณ์ต่างๆได้อันนี้เป็นผลที่เราต้องการ เวลานั่งสมาธิจิตสงบแค่ตอนลมหายใจออกจะนิ่งสงบแต่พอหายใจเข้าจิตก็ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นพอนึกได้ก็กลับมาพุโทโธแล้วจะมันนิ่งอีกทีตอนหายใจออกจะสงบไม่ยาวนานต่อเนื่องต้องทําอย่างไรครับก็ไปดูลมอย่างต่อนเนื่องเลยทําไมหายใจออกปั้มมันจะฟุ้งซ่านแล้วพอหายใจเข้ามันหายฟุ้งซ่านเลยคจะเล่าขนาด น, นั้นได้ยังไงไหมพูดแล้วมันพังต้องเสือมั น, ม, นมันเป็นบปไม่ได้ เราหายใจออกแค่วิไม่กี่วินาทีแล้วเราก็หายใจเข้าแล้วแล้วเราเปลี่ยนจากฟุ้งซ่านมนสงบทันทีในแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกวิสาระอธิบายถูกหรือเปล่ากายในกายจิตในจิตธรรมในธรรมเวทนาในเวทน า, นทนามีความหมายเช่นไรครับก็มันเป็นความหมายเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นภาษาของเขาที่ใช้กันนะเขา อ, อาจจะเน้นว่าให้เราดูกายอย่างเดียว เวลาดูกา ย, ก, ายก็ดูกายอย่างเดียวดูเวทนาก็ดูเวทนาอย่างเดียวดูจิตก็ดูจิตอย่างเดียวอย่าไปดูกายด้วยแล้วก็ไปดูเวทนาด้วยพร้อมๆกันอย่างนี้เป็นต้นให้ดูแต่ทียรอย่างทียรเรื่องศึกษาทียรอย่างทียรเรื่องเวลาศึกษากายก็ไม่ต้องไปกังวเรื่องเวทนาไม่ต้องกังวเรื่องจิตเรื่องธรรมศึกษาเรื่องเรื่องกายให้รู้ธรรมชาติของกายว่าเป็นธนรมจังรไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราของเรา พรไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเป็นต้นอันนี้คือการดูกายในกายดูกายอย่างเดียวอย่าไปดูอย่างอื่นพรอพ้ อ, พอมๆกันการมีนี้ศินเกิดจากกรรมตัวไหนครับก็เกิดจากการที่ชาติก่อนเราเคยมีนิสัยแบบนี้มา ก, ก่อนนชาติก่อนเราก็เช่าคู่นิยมศิลป์ชาตินี้มันามันก็ติดเป็นนิสัยมาเคยทําอะไรมันก็จะทําอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆ คนที่เคยฆ่าตัวตายก็กลับมาก็จะมาฆ่าตัวตายใหม่เรื่อยๆถ้าอย่างไรไม่ดีอย่าไปทํามันเพราะมันจะติดเป็นนิสัยมากับเราออกไปถ้าใช้เงินเก็บใช้เงินใช้เงินเก็บก็สุดท้ายในชีวิตไปรีโนเวทบ้านเพื่อถวายวัดเป็นสถานปฏิบัติธรรมอย่างนี้ดีไหมครับดีถ้าคุณไม่ต้องการใช้เงินก้อนนี้แล้วคุณไม่เดือดร้อนก็ทําไป แล้วคนใช้หมดแล้วคนไม่มีเงินกินข้าวาะไม่ควรจะทําต้องแบ่งต้องขั้นตอนเราจะต้องสามารถดูแลตัเราเองได้ไม่เดือดร้อนก่อนถ้าเรามีเงินเหลือจะเอาเงินเหลือที่ส่วนที่เราไม่ใช้นี้ไปทําประโยชน์กับใครก็ได้ทั้งนั้นสมัยท่านอาจารย์บวชที่บ้านตากเวลาพระอาจารย์มีปัญหาทางด้านภาวนาปรึกษากับองค์อลวงตาหรือท่านใดครับ ไม่ต้องปรึกษาเราท่านสั่งสอนท่านอย่างละเอยียดยิบอยู่แล้วหนังสือท่านก็มีเยอะเทสท่านก็เทสอยู่เป็นเป็นประจำท่านบอกทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วถ้าเราตั้งใจฟังจริงๆนี่มันจะไม่มีปัญหาเลยปัญหาตรงที่เราทําตามที่ท่านสอนได้หรือเปล่าเท่านั้นเองหลานวัยยี่สิบเป็นซึมเศร้าคิดทางลบจะมีวิธีอย่างไรให้เขามีหลักใจได้ครับก็สอนให้เขาคิดทางบวกสิให้เขาคิดทางความเป็นจริง คิดว่าโลกเหล่านี้เป็นโลกของมีทั้งเกิดมีทั้งเจริญมีทั้งเสือ่อมไม่ใช่จะมีแต่ลบอย่างเดียวลบก็มีเจริญก็มีชีวิตของโลกเหล่านี้โลกเหล่านี้มีสองด้านในกันด้านสุขก็มีด้านทุกข์ก็มีแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้บางทีมันก็สุขบางทีมันก็ทุกข์ให้คิดแบบนี้ให้เราถัดทําใจยอมรับกับทั้งสองด้านอย่าไปเลือกเราด้านใดด้านหนึ่ง ถ้าเราเะาแ่ด้านเดียวเวลาไม่ได้ด้าที่เราต้องการเรากวจาทุกแล้วก็จะเสียใจเราควรแบ่งเวลาในชีวิตด้วยสัดส่วนประมาณใดจะดีระหว่างช่วยคนอื่นที่เป็นทุกข์กับช่วยตนเองให้พ้นทุกข์ครับเเราต้องช่วยตัวเราให้พ้นทุกข์ก่อนแล้วค่อยไปช่วยคนอื่นต่ออีกทีหนึ่งพระเจ้าจใช้เวลา6ปีช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์หลังจากนั้นก็ใช้เวลา45ปีช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์ ถ้รารยังไม่พ้นทุกข์นี่เราจะไปช่วยคนหนึ่งให้พ้นทุกข์ไม่ได้ครัะยามาลตัวใหญ่เช่นกามราคะปัญญาถอถอนออกได้แต่มันมีอารมณ์ของการมราคะลงหรืออยู่ต้องทํำยังไงครับก็ต้องใช้ปัญญาเผาต่อไปแสดงว่ามันยังไม่หมดเชื้อมันยังไม่หมดใช้อสุภเะเผาไปเรื่อยๆแล้วลมโผล่ขึ้นมาแล้วใช้อสุภเะเผาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดต่อไปมันก็ยังไม่โผล่ขึ้นมา พ่อแม่เสียไปแล้วจะทําบุญอุทิศกุศลให้ทางไหนได้โดยไม่ต้องใช้เงินครับกรณีที่มีเงินน้อยสวดมนต์อุทิศให้ได้ไหมครับมีบทที่แนะนํำไหมครับเอ่อทำไมเงินไม่มีหนึบาทเดียวก็ยังทําได้นะเอาเงินไปใช้อะไรหมดยังไม่สามารถมาทําบุญได้ชาวนาชาวไร่เขามีเงินคนที่เขาเป็นแคดดี้เขายังมาใส่บาตได้ทุกวันเลยมันมีแต่ไม่ยามใช้เท่านั้นเอง อยากจะหาวิธีอื่นอันนี้เป็นเรื่องของความตนหนีมากกว่าความตันหนีอยากจะใช้อยากจะทำบนแบบไม่ต้องใช้เงินบนที่เราต้องใช้เงินนี่มันเกิดขึ้นได้ยากไม่ใช่จะทําปุ๊บได้ปั๊บเยมันไม่เหมือนฟาสต์ฟู้ดเนี่ยมัอาจะต้องไปปลูกข้าวก่อนปลูกข้าวเสร็จแล้วก็ต้องมาหุงข้าวมาสีข้าวมาหุงข้าวก่อนถึงจะจะได้ผลสําเร็จแล้วมันจะใช้เวลานานแล้วบางทีเราก็ทําไม่สําเร็จเพราะเราเราไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่อง รักษาศีลเราต้องรักษาอย่างต่อเนื่องนั่งสมาธิเราก็ทําอย่างต่อเนื่องการกาอผลมันจะเกิดจากการรักษาศีลหรือเกิดจากการนั่งสมาธิเพราะฉนั้นพระเจ้าถึงไม่ได้สอนให้อุทิศบุญแบบนี้ให้อุทิศแบบที่ง่ายๆที่เราสามารถทําได้แล้วได้ผลทันทีก็คือบริจากซื้อข้าวซื้อของอะไรให้กับพระหรือให้กับคนยากคนจนไปทําทานไปแล้วก็จะได้บุญที่เราสามารถอุทิศได้เลย คิดถึงคุณแม่ที่เสียไปแล้วเมื่อต้นปีไม่ได้ฝันถึงเลยครับแนะนำทำอย่างไรดีครับก็ดีไม่ฝันยังก็จบไปท่านก็ผ่านไปแล้วฝันไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรฝันไม่ทำไมให้เสียเวลาเปล่าๆการภาวนาพุโทโธเพื่อควบคุมจิตใจแต่รู้สึกเครียดในการคอยระหว่างและประคองจิตทำให้อึดอัดและโกรธหงุดหงิดใจเนื่องจากจิตมีกิเลสเยอะมากจนกลุมใจไม่ได้ใช่ไหมครับ จะต้องเพียรฝืนต่อไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะสงบใช่ไหมครับคือต้องพยายามพูดโธรไปเรื่อยๆอย่าไปฝืนอย่าไปอย่าไปฝืนอย่าไปบังคับใจให้อยู่พูดโทไปส่วนใจมันจะยังดื้อ ย, ยังด้านอยู่ก็ปล่อยมันดื้อไปก่อนแสดงว่าพูดโทรเรายังมีกําลังน้อก็พยายามพุดโธรไปเรื่อยๆเหมือนกินยารักษาโรคเนี่ยเวลาเราเริ่มกินยาเม็ดสองเม็ดนอกมันก็ยังมีอาการอยู่เราก็อย่าไป เครียดกับโรคที่ยังไม่หายจากการที่เรากินยาเพียงเม็ดสองเม็ดแล้ว็ต้องพยายากินต่อไปเรื่อยๆกินยาเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นยาก็จะมีฤทธิ์มากขึ้นต่อไปอาการของโรค ก, ก็จะน้อยลงน้อยลงไปตามลำดับเลยนั้นอย่าไปกัวงวลกับความความรู้สึกของจิตเวลาที่เราเจริญสติให้อยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวอมันจะรู้สึกอะไรก็ปล่อยมันไปขอให้เราอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆ ต่อไปความรูเสึกตา่างๆมันก็จะลดน้อยถอยลงไปนลหมดไปได้ในที่สุดใจก็จะว่างใจก็จะนิ่นจะสงบได้เวลาจิตคิดตกต่ําจะทําอย่างไรดีครับก็ยกมันขึ้นมาสูงเลยใช้สตินเรานี่ยเป็นผู้ยกจิตขึ้นมาได้พุโทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปก็ได้ฟังเทศฟังธรรมไปก็ได้นี่คือวิธีการยกจิตให้สูงขึ้น เมื่อไปวัดใจเผลอไปปรามาตพระบางครั้งห้ามใจไม่ทันถือเป็นบาปไหมครับจะต้องแก้อย่างไรครับไม่บาป เ, เป็นอกุศลนั่นเองเป็นความคิดที่ไม่ดีที่เราควรจะหยุดถ้ารู้ป้าว่ามันไม่ดีก็หยุดมันอย่าคิดอีถ้ามันยังจะคิดดีกก็ใช้ใช้คําบริการพูดโธคอยหยุดมันก็น่าหรือสอนใจว่าการกระทำเหล่านี้ไม่ดีเป็นโทษกับตัวเราเองส่วนพระเขาไม่เกี่ยวกับเราหรอกเขาจะดีไม่ดีมันก็เป็นเรื่องของเขา การไปปลามาดคนอื่นนี่มันไม่ดีเพราะว่ามันอาจจะไปปลามาคนที่เขาคนเป็นคนดีเขาได้ก็ให้ให้ปรามตัวเราเองโทษตัวเราเองแล้วห้ามตัวเราเองสอนตัวเราเองว่าอย่าไปปลามาดใครเลยถ้าเราไม่รู้ความจริงของเขาว่าเขาเป็นอย่างไรถ้ามุสาเวลาขายของแต่ละวันบาปไหมครับบาป ขายขอโกหก็บาปทั้งนันไม่ว่าจะทําอะไรอย่างไรก็ถือว่าบาปก็อย่าพูดไม่ได้นะยเวลาที่เราโกหกแล้วก็อย่าไปพูดโกหกแล้วก็เฉยๆไปคนที่สอนความรู้ผิดๆน่าจะเป็นบาปเพราะทําสิ่งที่ไม่ดีกับคนอื่นแต่คนที่เลือกเชื่อในคําสอนที่ผิดๆทําไม่ดีกับตนเองจะบาปด้วยไหมครับหรือเป็นเพราะบาปเก่าเลยเจอแบบนี้ครับคือถ้าสอนคนอื่นด้วยผิดๆก็เหมือนโกหกเขานั่นแหละ ม่ได้พูดความจริงเห็นถ้าเราไม่รู้ความจริงเราก็อย่าไปสอนคนอื่นถ้ากับการไปพูดความเท็จให้กับคนอื่นทำให้เขาหลงทางได้หลงผิดได้ใส่บาตรแล้วไม่กรวดน้ํายากจะได้รับไหมครับไม่น่าไม่ต้องใช้น้ําก็ได้การอุทิศบุญแต่ถ้าอยากจะให้ญาติได้รับบุญเราต้องอุทิศการอุทิศจริงๆนี้ไม่ต้องใช้บุญใช้ความคิดของเราแล้นึกภายในใจว่า เขาอุทิศบุญที่ได้ทำในวันนี้ให้กับบคุนะบคคลนั้นบุคคลนี้ก็ถือว่าสาเร็จแล้วเขาก็จะได้รับบุญที่เราได้ทําในวันนี้ได้เวลาเดินจงกรมแล้วเปิดเทปธรรมมาฟังไปด้วยควรหรือไม่ครับไม่ควรคนะควรเอนถ้าเดินจงกรมง่ามีสติอยู่กับการเดินจะดีกว่าจะได้ประโยชน์มากกว่าถ้าอยากจะฟังธรรมอยากจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมก็นั่งเฉยๆด้วยยืนเฉยๆไม่ควรมีการเคลื่อนไหว คำถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับเบอกว่าเคยหยิบหนังสือจากกุฏิที่พระอาจารย์แสดงเทศโดยไม่ได้ร่วมทําบุญด้วยอย่างนี้เป็นบาปไหมครับไม่บาปเพราะว่าหนังสือเป็นมูลเสือแจกทานอยู่แล้วมีศรัทธายาโยมที่อยากจะทําบุญทําทานด้วยการแจกธรรมะเพราะเป็นการศรัทธาเชื่อว่าการให้ธรรมะชั้นละการให้ทั้งปวงหนังสือที่วางแว้แจกนี่สามารถหยิบไปได้โดยที่ไม่ต้องทําบุญทําทานแต่อย่างใด วันนี้คำถามเยอะมากเลยครับอาจารย์อ่านมาได้ถึงตอนสองทุ่มสี่สิบเองครับค mm hmm. นที่ถามมาหลังจากนี้ไม่ได้ตอบเลยนะครับขออภัยด้วยนะครับวันโ mm hmm. อ, อกาสครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังธรรมอยู่ในเฟซเจ็ด้อยสามสิบเก้าในยูเจ็ดร้อยี่สิบเก้าในขับห้าในติ๊กต็อกห้าร้อยี่สิบแปดรวมเพื่อนๆ น, นฟังธรรมสองพันกับหนึ่งคนนะครับเริ่มอ่านคำถามแรกเวลายี่สิบนกาเจ็ดาทีพระอาจารย์ตอบไปแปดสิบเจ็ดคำถามครับ mm hmm. วันนี้ครับตอบยาวหน่อยนะคําถามน้น้อยหน่อยครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่ได้ได้ฟังในวันนี้นั่นน่ะหมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้การแสดงการสนทนาทำสําหรับวันนี้ก็ ค, คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจนเอาเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังนี้ไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอดสาธุ ขอลาคุณหมอไว้เพียงเท่านี้ท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยถ้าไม่มีเหตุขัดข้องใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในเวลาเดิมในวันอาทิตย์หน้าเช่นเคยขอเจริญพรกับพระปุถุพาสตร์ครับ